อาจารย์ครับการนมัสการครับเจริญก่อนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเพิ่งเจอพระอาจารย์ไปเมื่อสามสีวันก่อนกับพระอาจารย์ไม่เจออีกแล้วครับกันที่เร็วหน่อยเดี๋ยัเขาน่าเขาน้าหางหน่อยเขาน้าหางหน่อยครับพระอาจารย์พระอาจารย์เหนื่อยไหมครับวันนี้เห็นว่าทั้งวันเลยไหมครับสองสมวันที่ติดกันก็เป็นเหมือนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ก็มีอดีตมันผ่านไปแล้วมันไม่เกี่ยวแเราอยู่กับปัจจุบันแลไม่รู้สึกเหนื่อย อย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงอดีตคิดกับปัจจุบันมันก็มีทํางานได้ทีละชิ้นในปัจจุบันอันนี้ถ้าคุณจะไม่เหนื่อยถ้าคุณตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันครับผมแต่ทางจิตใจนะแต่ทางร่างกายอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ทางจิตใจนะที่จิตใจอยู่ในปัจจุบันก็เหมือนงานชิ้นเดียวนะ่ะตอนนี้ก็ทํางานชิ้นนี้ชิ้นเดียวเองที่ผ่านมาแล้วเมื่อเช้านี้มันก็ผ่านไปแล้วตอนบ่ายก็ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้งานใหม่ก็ยังไม่เข้ามาถึงมัน มันก็มีแค่นี้แหละถ้าเราอยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรยุ่งยากอที่มันยุ่งยากวาเวลาไปคิดอดีตคิดถึงอนาคตแล้วก็เอามาแบกในปัจจุบันทําให้หนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาบ้าเกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่จะมาถึงบ้างหรือมันไม่ให้หมดให้อยู่ในปัจจุบันนะครับครับอ๋ดีจังเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับว่าอาจารย์เมื่อเช้าไปบินธบาตคนเยอะไหมครับผมสาม้อยสาม สามคนสาเลยแั้มันไปย่ามาแล้วคนเยอะหน่อยปกติก็แค่สองร้อยวันธรรมดามันเยอมันเยอะทางบ้านอีกสองร้อยเหมือนเดิมประมาณประมาณรวมกันก็ประมาณสองร้อยได้ห้าร้อยกวคนบางไหายก็มีคนมาฟังทำเป็นร้อยห้าสิบกว่คนบทางบ้านก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าครับแต่มันเป็นอดีตไปแล้วน่านไปแล้ว ครับครับให้มีตัวเลขครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้อผมตั้งหัวข้อไว้เรื่องซับภายในครับอาจารย์เพราะว่าจะได้เอาติดตัวข้ามภพข้ามชาติครับกล่าวขอบัญญะจ้ะครับครับผมเราก็ต้องพูดถึงซับภายนอกด้วยเพื่อเปรียบเทียบชีวิตของเราเนี่ยเรามีสองส่วนก็มีร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็มีทรัพย์ของร่างกายจิตใจก็มีทรัพย์ของจิตใจทรัพย์ของร่างกายก็คือเท่าของเมทาลเม็งต่างหรืงองโลกกระทำราบยอดสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ถือว่าเป็นทรัพย์ทางกายทรัพย์ทางกายนี่ก็เป็นทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนเป็นทรัพย์ที่อยู่คู่กับกายพอร่างกายสิ้นสุดลงทรัพย์หลังนี้ก็สิ้นสุดไป ใจไม่สามารถที่ยาวทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยไปได้มีสมบัติเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องตกเป็นของทายาทเข้าไปใจไม่สามารถเอาเงินทอ ง, งต่างๆไปได้สิ่งที่ใจเอาไปได้คือทรัพย์ภายในเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณ่วิญญาตที่จะไปเกิดใหม่ทรัพย์ภายในที่เอาไปก็คือพบ ภพชาติต่างๆที่ที่สามารถเอาไปได้ก็ อ, อยู่กับว่าเราสะสมเราสะสมทรัพย์แบบไหนซึ่งทรัพย์ภายในนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันขั้นตอนสุกามนุษย์เสีทัพย์คือถ้าเราเป็นมนุษย์ถ้าเรามีความสมคุณสมบัติของของมนุษย์พอเราตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อเลย แต่การที่จะรัาากสา ม, ม, น, มนุษยส์สมบัตินี้ได้ก็ต้องไม่ไปทำบาปไม่ไปสร้างนี่หรือถ้าเราไปสร้างนี่เราก็จะไปติดนี่เช่นถ้าเราทำบาปแล้วเราก็จะต้องไปใช้นี่พบทุมที่เป็นที่พบที่เราต้องไปใช้นี่เรียกว่ า, าบายพบของเดราชานพบของเปรตพบของรัศรลกายและพบของนรก การที่เราจะรักษามนุษยทรัพย์ของเราได้นี่เราต้องไม่ทำบาปเรารักษาศีลนะให้ให้โดยสุดถ้าสมมติว่าเราอยากทำบาปอยู่ก็ยังมีวิธีที่เราจ ะ, ะป้องกันมาให้ไปไปไปใช้นี่ได้ด้วยการสร้างเทวทรัพย์ขึ้นมาคือทรับที่ที่ที่สุดที่เกิดจากการทำบุญทำทานถ้าเราสร้างเทวทรัพย์ให้มีมากกว่านี่ที่เราทํา บาปที่เราทําได้บาปก็ยังไม่สามารถลงายาได้ต้องรอไปลงอายาก่อนเพราะว่าบุญที่เราทําคือเทวทัพย์ที่เราสะสมนี้จะส่งให้เราไปรับทรัพย์ของเทวดาเทวทรัพย์ก่อนเห็นไหมเห็นไขั้นต่ำสุดทรัพย์ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้คือมนุษยทรัพย์อย่าไปสร้างนี่อย่าไปทําบาปทําบาปแล้วเราต้องไปใช้นี่ในอบาย ใไปเป็นสัตว์เวลี้ยงาช้าบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นสูตรร ก, กายบ้างไปตกนรกบ้างถ้าทำบากบ้างาก็ครีบทาบุญเสียให้มันบาปให้มันแห่บุญมีมากกว่ บ, บาปไหมเวลาตายไปนี้บุญกับกบาปจะเป็นผู้ที่จะมายึงดวงวิญญาณให้ไปรับไปรับไปรับผลบุญหรือ ไ, ไปรับผลบาปถ้าบาปมากกว่าก็ต้องไปรับผลบาปถ้าบุญมากกว่าก็จะไปรับผลบุญ จากมนุษย์ทรัพย์เราก็สามารถขึ้นไปสู่เทวทัพย์ได้ด้วยการหมัน่นทำบุญทำความดีต่างๆทำบุญนี้ไม่ได้ไหวว่าเราต้ใช้เงินใช้ทองไปอยงเดียวนะทำความดีทำความสุขให้เกิดขึ้นกับผู้สังคมก็ได้ทำสุขทำความสุขทำประโยชน์ให้กับผู้แล้วเราก็จะมีบุญแล้วเราก็จะได้สะสมเทวทัพย์แล้วสูงกว่าเทวทัพย์ก็มีพรหมทัพย์เนี่ย รูปประซับนี่ก็มีอยู่สองระดับด้กันรูปประพงศ์กับอรูปประพงศ์การที่ได้รูปประพงศ์รูปได้รูปประรูปประพง์มาซับเนี่ย e เราก็ต้องสามารถเข้าฌานได้นั่งสมาธิเข้าฌานขั้ น, นรูปฌานได้เราก็จะได้รูปประซับรูปประพง์ถ้าเราเข้าสามารถเข้าอรูปฌานได้เราก็จะได้อรูปประพงศ์ซับ ตอ น, นเหนือกัอนนั้นก็ยังมีอริยสัพป อ, อริยสัพน์นี่เราต้องต่อยอดในการเจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นตาแล้วเราเนอริ ย, ยสี่เห็นาะเราก็จะละสัมยติที่ผูกมัดใจให้ติดอยู่กับการเป็นว่าตายเกิดได้ะเราก็จะถ้าได้อริยสัพพ์ขั้นสูงสุดเราก็จะได้นิพานตาม นิพพานนะซับนี่เป็นซั์ที่สูงสุดซั์ที่มีคุณค่ามากที่สุดซั์ที่มีความสุขมากที่สุดซับเอาเนิก็เข้าร้อนหย่อนลงไปผ้าซั์ของผ้าอาหารนี่เป็นถความสุขสูงสุดนอนลงมาก็พระอานาคามีนอนลงมาก็พระสัจกินดาคามีนอนลงมาก็พระสุเดวันนอนลงมาก็รๆๆาาาอรูปอรูปภลม นอนลงมา ก, ก็รูปกระผมนอนลงมา ก, กเ็เทวดานอนลงมา ก, ก็มนุษย์นี่คือทราบต่างๆที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปได้เราสามารถเลือกทำได้ตามที่เราต้องการทําจากน้อยไปหามากถ้าเรายังทําได้น้อยก็เอาค่าทำดุจําทานรักษาสี่ห้าไว้ดีอย่าให้มากอย่าให้บาบไปไว้มากประบุนให้บุญมากประบาปมาตายไปก็ เกิดเป็นเทวดาหรือท้าบุญกับบาปเท่ากันก็มาเกิดเป็นมนุษย์สำารับบาปเราทําบ้างบุญเราทําบ้างแล้วมันทั้งสองอย่างมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถเดินไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถเดึนไปอบายได้ก็ไปเป็นมนุษย์ได้วนุษย์สียทรัพไว้อันนี้คือทรัพย์ต่างๆที่เราสามารถที่จะสะสมได้ด้วยกา ร, รพัฒนด้วยการปฏิบัติทําขั้นต่างๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ อันนี้ก็ได้เข้าใจเลยเข้าใจครับอาจารย์ครับก็มีความรู้สึกว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังบุญเยอะกว่า บ, บาปเยอะมากเลยครับอาจารย์วิธีที่จะดูว่าบุญหบาปมากกว่ากันก็ดูความรู้สึกในใจเราเรามีสุขมากกว่าทุกข์หรือทุกข์มากกว่าสุขครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเวล า, านอนหลับเนี่ยเราฝันดีมากกว่าฝันได้หรือฝันได้มากกว่าฝันดีอันนี้มันก็จะบอกให้เราด้ฝันได้มากกว่าจากบาปที่เราได้ทำมา ฝันดีก็มาจากบุญที่เราได้ทำมาถ้าเราฝันได้บ่อยๆก็รีบไปทำบุญให้เยอะๆทำความดีให้มากขึ้นแล้วต่อไปก็จะฝันดีมากกว่าฝันลายครับผมเป็นหนังตัวอย่างของของภพชาติของเราต่อไปความฝันนี้นะเป็นตั ว, ต ว, ตวเป็นตัวหนังตัวอย่างของพ่อพิยนที่จะตามมาครับ มีเห็นมีคำถามเกี่ยวกับอริยทรัพย์เพิ่มขึ้นครับอาจารย์เดี๋ยวจะขออนุ ญ, ญาตถามพระอาจารย์จากเพื่อนๆนบ้างครับกรับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีทํามถามถามากินเจได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกถ้าได้บุญมันวัวควายมันก็ได้บุญนี่วัวควายกินผักเอกินกินหญ้า ก, กินอะไรบุญนี่เกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการกินถ้ารักษาศีลก็ได้บุญ ไม่ค่าสัต์มันก็ได้บุญแต่กินเจนี่มันไม่ได้เกี่ยวการค่าหรือไม่ฆ้าการค้าหรือไม่ค่ามันไม่เล่นของศีลศีลคือฆ่าฆ้ามันไม่ฆ่าถ้าค่าก็เป็นบาปถ้าไม่ค้าก็เป็นบุญเวลาที่ยืนใส่บาตรพระแล้วต้องลงนั่งรับพรพระหรือยืนรับพรจากพระและหากพระยืนแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมที่นั่งฟังพระจะเป็นอาบัติไหมครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องประเด็นที่มันมันอาจจะพูดง่ายๆคือมันอาจจะมันมันหมดการเวลาของมันนัะมันเป็นธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลที่สมัยปัจจุบันนี้เราส่วนใหญ่เราก็อ่างใ้ความการรับประพากในการอยู่ต่ำกว่าท่านยืนเราก็นั่งเราพรเราจะไม่ยืนแต่สมัยก่อนผ้าจะว่าถ้าภาพยืนโยมก็ต้องยืนถ้าพานั่ง โยงว้านั่งๆอะไรทำเนาเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการเวลาของกำห น, ทนดทาเนียประเพณีของแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคเราก็ไม่กล้าฟันสิทธ์อ่ะเพราะถ้าพูดไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ผิดใช่ไหมเพราะจะว่าอาวันพระวินัยว่ายอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยไม่อยากจะค้อนที่ไม่ขอตอบดีกว่าแต่ถามได้ที่ทำมีความเคาแลก็ใช้ได้ก็แล้วกันอื อาจารย์ครับคำว่าทรัพย์ภายในต่างจากคำว่าบุญกุศลอย่างไรบ้างครับอันเดียวกันแหละเพีเยงแต่เราก็มีโวหารต่างกันทำบุญก็เท่ากับการสะสมทรัพย์ภายในต่างๆบุญก็มีหลายระดับทำทานก็ได้เทมารัพย์นั่งสมาธิเข้าฌานได้ก็ได้โทมาทรัพย์ถ้าพิจารณาปัญญาได้พิจารณาตัวอย่างว่าเป็นตายร้างได้ตัดปล่อยวาง ความยืดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุก อ, อย่างได้ก็เป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาเป็นผ้าอริยขึ้นมาคุณนัทครับบอกว่ากาเฟรนถามพระอาจารย์ครับมีความกังวลมากตอนบิดามารดา ย, ยัางอยู่เคยพูดตวาดท่านตอนนี้ท่านเสียไปนานแล้วจะขอขอมากรรมที่เคยตวาดบิดามารดาที่เสียไปนานแล้วได้ด้วยวิธีไหนครับไม่ได้แล้วมันผ่านไปทาได้ก็เพียงแต่ มีความส้ำเนื้ผิดแล้วก็พยายามอย่าทำต่อไปเท่านั้นเองท่านไปแล้วเราไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนเราติดต่อได้ไม่ได้จะไปขอเข้ามาทา น, นไหนคุณครัฟี่ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะแก่แนวทางปฏิบัติธรรมในรูปแบบใดครับตอนนี้เรารักษาศีลได้หรือเปล่าตอนนี้เราหนึ่งยุราอยู่หรือเปล่าเราเลิกเหน่ราได้หรือเปล่า เน้อคำถามตัวเองหรือพฤติกรรมของเราได้าจากสินห้าขึ้นไปเรารักษาสินห้าได้หรือเปล่าเราทําบุญทําทานในทุกวันไหมทําให้เวันนีสัยวันละห้าบาทสิบาทก็ได้ไม่ต้องมากก็ได้ตามกองเงิของเราทําได้ไหมทําบุญทําทานให้พักก็ได้ให้ให้ใครก็ได้ขอทานก็ได้แนละ้วแต่ไม่จะไปไปนอบปล่อปยปลาหรือทาอะไรก็ได้อันนี้ก็เรื่องของทานทําได้ไหมทําได้ก็ทําไป ขั้นต่อมาก็คื อ, าอากอารฝึกสมาธิ่ารนั่งสมาธิได้กี่นาทีก็ลองนั่งดูจิตสงบได้มากได้น้อยเท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่ก็ทําไปต้องลองดูมันถึงจะรู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้จากพ่สมพรครับการใส่บาทการปล่อยปลาทํา ท, ทานทางออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ภายในหรื อ, อยังครับเป็นเป็นเทวทัพย์ เป็นเทรัพย์ทานนี้เป็นเหตุขงการได้ได้เทวทรัพย์ได้ไปสวรรค์แต่ต้องทําทานต้องทําทานมากกว่าทำบาสนะถ้าเราทําบาปมากกว่าทําทานทานยังไม่สามารถสมผลได้เพบาปจะส่งผลก่อนบาปจะดึงแบรกรับผลที่ในาบายก่อนจนกว่าบาปน้อยกว่าบุญบุญถึงจะสมผลได้ คุณสลินครับบอกว่าขอถามคุณแม่เสียไปสิบเอ็ดปีแล้วครับแต่ยังฝันเห็นบ่อยๆหมายถึงท่านห่วงเราไหมครับไม่หรอกเราคิดถึงท่านนจากพิสมพรครับการฟังธรรมพระอาจารย์ถือเป็นทรัพย์ภายในด้วยไหมครับก็เป็นปัญญาแต่ยังไม่สําเร็จเป็นการเป็นการสะสมทรัพย์ระดับปัญญาคืออริยทรัพย์แต่ดั้ยังยั ง, ย, งยังไม่ได้เอาไปใช้ให้มันเกิด เกิดผลขึ้นมาถ้าเราทําธรรแล้วเราสามารถละสัมโยนได้นั้นเราถึงจะได้อริยสัพเนเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้เมื่าไหร่ก็ได้อริยสัพขึ้นมาทันทีถ้ายังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ยังไม่ได้อริยสัพเพแต่เราก็ต้องสะสมปัญญาไว้มันเหมือนกับการเรียนหนังสือเนี่ยแต่ว่าต้องสะสมวิชาความมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ปริญญาเราก็จบปิญญาโอ้เราจบแล้วเราได้ปัญญาดีแล้ว แต่ก็จะได้ปิญญาตีนี้ใช้เวลาลงดานนับาทขึ้นมากี่ปีนะการท่องเทศท่องธรรมครั้งหนด่งสองครั้งก็บแบบเดียวกันนี้มีการสะส ม, ม, ม, มความรู้ทำให้มความรู้พอที่เราจะสามารถไรรลุสัมยุตายยาติได้เราก็จะได้อริยสัพพิมาคุณอังคณาครับ บอกว่าถ้าเราทำบุญไปหาญาติแล้วเก็บเอามาฝันถึงคนที่เราทำบุญไปหาทุกครั้งเป็นเพราะเหตุใดครับอย่าเป็นสนใจเลยเป็นเพราะเหตุใดความฝันมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ขูบ่บังคับไม่ได้เวลา น, นอนหลับนวะมันก็จิตมันก็จะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคุณนวลนาครับบอกว่ากราบพระอาจารย์ครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดอยากจะขอพรจากพระอาจารย์ด้วยครับ ปกติก็ขอให้สุขให้เจริญให้ร่ำให้รวยให้อยู่ไปนานๆถ้าตายแล้วก็อยากรรมมาเกิดอีครับสวัสดีพระอาจารย์ให้ผมครับคุณปูเป้ครับคนที่ชอบนั่งสมาธิทุกวันแล้วมีความสุขถือว่าเป็นคนที่ติดสมาธิใช่ไหมครับแล้วดีไหมครับก็เวลากินอาหารมันดีไหล่ะ กินอาหารอีดอมนะกินอาหารดีแล้วไม่ดีไม่ก็เหมือนกันแนหะสมาธิก็เป็นอาหารของใจกินเข้าไปแล้วมีความสุขมีความสงบ mm hmm. กินกเข้าไปเถอดสมาธิไม่เป็นพิษเป็นภัยยกเว้นว่าถ้าเรายางเอายังต้องทําหน้าที่เพิ่มขึ้นคือถ้าเรายังไม่บรรลุอริยสมัมปชัญเราต้องแบ่งเวลาให้กับการไปจำระทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เอาแต่นั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว มันต้องสลับกับการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้ยกระดับทรัพย์ของเราจากจากพรหมทรัพย์ขึ้นไปสู่อริยทรัพย์ได้แต่ถ้าเราทําแต่สมาธิอย่างเดียวเราก็จะได้แต่พรหมทรัพย์เท่านั้นชอบนั่งสมาธิมากกว่าสวดมนต์อย่างนี้ดีไหมครับดีการสวดมนต์ก็เป็นสําหรับผู้ที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ใจยังฟุ้งยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ช่วย ช่วยนะครับลดความคิดความฟุ้งให้น้อยลงไปจนสามารถมานั่งสมาธิได้แต่ถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องไปส่วนบไญใดขึ้นเลยคุณสลินครับบอกว่ายังเก็บอัฐิคุณแม่ไว้สิบเอ็ดปีแล้วครับจะทําให้เป็นการเหนี่ยวรั้งจิตท่านไหมครับตอนแม่ยังอยู่แม่ปฏิบัติธรรมครับไม่หรอเหนี่ยวรั้งจิตเราถ้าไม่เกี่ยวแล้วทันไปแล้วมันจะเหนี่ยวรั้งจิตเราเนี่ยที่เราเก็บไว้เพราะมันเรายัง าติ ก, กดูกอย่จะพัฒนาให้มีทรัพย์ภายในให้มีนิ่งขึ้นไปได้อย่างไรบ้างครับก็พอเราได้เทวัซ้์แล้วเราก็พัฒนาขั้นสูงกว่าเทวซ้์ก็คือพรหมซ้ำจากการรักษาศีลห้าก็มาเพิ่มเป็นรักษาศีลแปราะกันจะได้พ ร, ม ร, รมหมซ้ำเนี่ยต้องไปนั่งสมาธิถ้าจะนั่งสมาธิก็ต้องละเป็นการไป ไปเสดการเสด็จรูปเสี ย, กสยสงกินรสต่างๆก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมจเลืิอนสตินั่งสมาธิจนเข้าฌานได้เข้าฌานได้ก็ได้พรัมสัพแล้วต่อจากนั้นถ้อยากจะได้หน้ า, า, าริยสัพ ก, ก็สลับกับสมาธิเข้าฌานนะวเวลาออกมาก็จเจ ร, ริญปัญญาพิจารณาไตรับพิจารณาอาาริยสัจสีเพื่อตัดสมงโยชนตัดตัณหาความอยากให้หมดสิ้นไปอยากใจ ก็จะได้อริยสัมาได้พันในพันในที่สุดคุณพัฒร์พรครับขณะนี้ดูแลแม่ที่หลงลืมมีบ้างครั้งที่ใช้เสียงดังใส่ท่านเราจะขอขามากรรมอย่างไรครับก็อย่าทำซ้ำอีกนนเองทำนึกผิดแล้วก็พยายามอย่าไปทำซ้ำซ้ำอีกคุณมาลตรีครับ อริยสัพประกอบด้วยการกระทำสิ่งใดบ้างครับหน้าสัมโยสิปการเนี่ยนาการยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราฐาน้าเวทนาความรู้สึกก็ตัวเราของเราเราต้องปล่อยมางให้ได้เช่นเวลาร่างกายเราเจ็บเป็นโรคมเะเร็งการเจ็บปวดล้หอหมอกเล่าบอกว่าไม่น่าจะต้องตายเราสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกกับความตายได้ไหมไม่ทุกกับความเจ็บปวดได้ไหม ถ้าเราทําได้คือเราไม่กลัวเจ็บเราไม่กลัวตายเรายอมตายได้เรายอมเจ็บได้เราก็รับสัมยุทธ์ข้นี้ได้เราก็จะเป็นพระสวดดาวันขึ้นมาคุณศิวิไลครับหากคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วเขียนในโซเชียลว่าตัวเองโสดไม่มีแฟนถือว่าคนนั้นผิดศีลข้อสี่ไหมครับเวลาทักเขาจะบอกว่าเขียนคำํำขำครับอ่าจะขำไม่ํามันก็ผิดมันก็โกหกนะ โกหกแคำก็มันก็ผิดยมันก็เป็นบาปดยู่ดีคุณนัทครับเรียนถามพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าก่อนสิ้นลมหายใจถ้าเรานึกถึงพระถึงบุญที่เคยทํามาตายไปแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างนี้จริงไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ตอนนั้นหรอกมันอยู่ที่บุญกับบาป ท, ที่เราได้สะสมมาว่าไหนไม่มากกว่ากันราบกว่า ถ้าบุมากกว่าไม่ต้องเรื่องเสงมันก็พาเราไปสมาอย่างนีถ้าบาปมากกว่าจะให้เราเลือ่อนพระไงมันก็เลื่อเราไปอบายอยู่ดีนอกจากจะมีพระ อ, อริยะสงฆ์แล้วบุคคลธรรมดาเป็นอริยชนได้ไหมครับได้อริยะสงฆ์นี่หมายไม่ได้หมายความเป็นพระอริยะสงฆ์หมายถึงผู้ที่บรรลุป็นพระชัวดาบันขึ้นไปมีสสี่ขั้นด้วยกัน ในน่าส่วนใหญ่มักจะเกิดกับพระสงฆ์พระพระภิกษุกันมากกว่าเกิดกับคร า, าวาส ใ, ในสมัยพุทธการก็มีคร า, าวาสที่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีอยูนาวิสาขาเป็นต้นคุณเจตบันยูนะคะขอโอกาสเป็นถามครับตอนพระอาจารย์ยังไม่บวชพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอย่างไรเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเลยไหมครับ และมีความห่วงกังวลกับชีวิตทางโลกในอนาคตไหมครับก็พอเราได้สัมผัสกับนัแห่งธรรมแล้วก็มีความติดใจในความสงบเลยตั้งว่าต่อไนนี้เราก็จะท่วมเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปกําหนดตายตัวว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรข้างหน้าเราก็บอกว่าเอาลอาปีหนึ่งก่อนน อ, อกจากงานแล้วก็อยู่บ้านปฏิบัติธรรมไม่ไปทำอะไรซื้อสียงแต่ รักษาสิ่งแปลกยันยองกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะกินข้าววันลเมื่อหลังจากปฏิบัติได้ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็สามารถปฏิบัตินั่งอยู่ได้ทีนี้เราก็บวชได้ก็เลยไปบวชเพราะการบวชจะได้ทําให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ต่อไปถ้าเราไม่บวชเราเราไม่มีเงินเราก็ต้องไปหางานทำถ้าเราไปทํางานเราก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิ ก็เลยเป็นขั้นไปขั้นตอนยากปฏิบัติปีเป็นคราวาสพอถึงครบปีแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อก็เลือกไปบวดบวดก็ไม่ได้ตั้ง เ, เป้าว่าจะบวชสกี่ปีหรืออะไรขอบวชแล้วขอให้ได้ปฏิบัติแบบที่เป็นคราวาสอยู่ตอนนี้ก็พอใจก็ตั้งใจต้องไปหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติคือโชคดีได้ได้วัดของตามหาบวชมาทัณฑ์กเมตารับให้อยู่ก็เลยอยู่กับท่านเรา เก้าคำสาเลยกั น, นแล้วก็อยู่ที่นี่ต่ออีกรวมทั้งหมดก็ห้าสิบเอ็ดคำสาญอะไรนี้ก็ยังไม่รู้จะทํำไงต่อไปพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะจะทำไงก็อ ย, อยู่กับปัจจุบันไปขอให้ปัจจุบันมันมีความสุขแล้วก็ออใจนะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีจำพรรษาที่อื่นอีกบ้างไหมครับมีวัดเดียววัดที่พัทยา อนใช่วงที่ออกจากวัดบ่าน่นตานะเอามาเพิ่มมนดูแลคุณพ่อคุณพ่อเป็นบ้านเลยงนะแบ้านอยู่วัดยาก็เลยไปอยู่วัดที่ไหนใกล้ๆอยู่ในพิทยาใกล้ๆบ้านก็ได้ไปเยี่ยมท่านได้สนดวก็อยู่ได้พรรษาหนึ่งได้เกษียก่อนเข้าพรรษาได้ก็เสียก็เลยอยู่จำพรรษาที่วัดนั้นจกิดกระทงออกพรรษาก็ย้ายมาอยู่ที่วัดยาลังสวาล์มมาอยู่วัดยาลังสวาราได้สี่สิเอ็ดพรรษาแล้ว วัดป่าบ้าตายเก้าพันศาแล้วก็วัดที่อยู่เนี้พระเทียนวัดเรียกวัดอ่าวัดโพธิสัมภารหนึ่งพันศาก็มีแค่นี้ก็บวนมาเนี่ยก็มีมีไปอยู่วัดได้สี่วัดบวชที่วัดประวันแล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติที่วัดป่าบ้นตายแล้วก็มาวัดโพธิสัมภา์แล้วก็มาอยู่ที่วัดยาไม่ได้ไปไหนไม่ได้อยู่วัดอื่น คุณสรนสเนีครับที่บ้านอยู่กับแม่สองคนครับคุณแม่อยากจะกินเจแต่ว่าลูกกินไม่ได้คุณแม่ยังต้องหากับข้าวให้เขาบางทีต้องมีซื้อเนื้อสัตว์แบบนี้คุณแม่ทานเจได้ไหมครับได้ใช่การทานเจไม่เกี่ยวอาจจะไปซื้อเนื้อสัตว์แไม่จับต้องเนื้อสัตว์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ผูดชํานาญทางนั้านเจต้องไปถามคนที่เขาเกินเจอยู่ดนะีกว่า เพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราพูดผิดก็ได้นะนะครับคิดของเราโดยสามัญสำนึกนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องกินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเรื่องจับจับเนื้อสัต์หรือไม่เราอาจจะทําทอดปลาแต่เราไม่ติดปาามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเรากินถักมาไปแต่บางคนถ้าอาจจะเป็นแบบแบ บ, แ บ, บพวกบริสุทธิ์ร้อยเอร์ซ็นพันเอร์เซนตนี่ไม่ได้เลยอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อสัต์นี่ไม่แต่ต้องเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของของเขาอันนี้เราไม่ทราบ คุณอุ๋ยครับบอกว่าหลวงพ่อครับวันนี้หนูตีหมาอย่างนี้หนูเป็นบาปไหมครับครับไปทำร้ายเขามันก็บาปนี่พเพียงแต่บาปยังไม่เท่ากับการไปฆ่าเขาท่านเองถ้าเขามาตีเราบ้างเราจะคิดอย่างไรแล้วเราเจ็บเราก็ต้องโกรธเขาเราก็ต้องมีเวรมีกรรมกันคุณปียพรครับวันนี้บริจาค ร, ร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ บอกพ่อแต่พ่อไม่เข้าใจต้องพูดอย่างไรให้ท่านเปิดใจรับเรื่องนี้ครับก็บอกร่างกายตายไปแล้วก็ถ้าเอาไปเผาเอาไปเผามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าบริจาคให้โรงพยาบาลเขาจะได้เอาไปอไวัยระไหนที่ยังใช้ได้ก็จะได้ไปช่วยชีวิตคนอื่นต่อไปเดี๋ยถ้าช่วยใช้ไม่ได้ก็อย่างนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์เขาจะได้เรียนรู้เรื่องร่างกาย ก็ามันทำประโยชน์นะแต่เขาจะเขาจะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของแต่ละคนบางคนก็ก็ไม่อยากจะทําอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้แต่แต่มันก็เป็นสิทธิของเราเหมือนเป็นน่ากายของเราขอโอกาสครับใจเราวางจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ด้วยปัญญา มันคือสภาวะอะไรครับแล้วทำยังไงถึงจะได้นิพานครับการที่เราตัดอะไรได้ก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันไร้สาระหรือเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทุกข์ไปคิดถึงมันแล้วมันทำให้เราใจเราทุกข์ก็เยอย่าไปคิดถึงมันดีกว่า <c oughs> ถ้าเราตัดทุกอย่างที่ทำให้าจเราทุกข์ได้เราก็จะได้นิพานในที่สุดคุณพลัมครับถ้าฝันเห็นงานศพ น่ากลัวเราเคยทําไม่ดีมาก่อนไหมครับมีวิธีฝึกให้ไม่ฝันได้ไหมครับจริงงานศพนี่ถือว่าเป็นฝันดีนะเป็นปัญญาเนะี่ยจะทําให้เราได้เกิดปัญญาว่าอาชีวของคนเรานี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นอนิจจทุกขังมโนตาอเนี่ยควารฝันไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นเป็นประโยชน์นะเห็นคนตายนี่ยมันเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันพระพุทธเจ้าเนี่นเห็นคนตายเนะี่ย จึงทำให้ไปบวชได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นวันตายเห็นนักบวชเทวะทูตสี่เห็นแล้วก็รู้แล้วว่าอยู่ต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายถ้าไปบวชก็จะได้มีวิธีต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องทุกข์กับมันได้ก็เรียนเรื่องทางที่จะไม่ทุกข์ดีกว่าก็าอยู่ในวังต่อไปก็ต้องทุกข์อย่างแน่นอนเวลาแก่เจ็บตาย คุณอารยาครับถ้าคนในครอบครัวเราทําผิดเราเตือนเขาแล้วไม่ฟังเข้าสัญญาว่าจะไม่ทําอีกเขาก็ทําบาปกลับขอความเมตตาให้เขามีดวงตาเห็นธรรมด้วยครับก็เร <c oughs> าให้เขาไปแล้วเนี่ยดวงตทาทางพระยาหรือไม่เรื่องเขาเป็นชาวสวนครับการฆ่ามแมลงต่างๆหรือจิ้งจกตุ้กแกอย่างนี้เป็นบาปมากไหมครับ ก็มันถ้าเรียบเทียบกับสัญญาณมันก็มันก็ไม่มากเท่าถ้าค่าสัญญาเรื่องค่ามอนวันนี้มันมันจะบาปมากกว่านี่เราวัดปริมาณของของของบาปอยู่ที่คุณประโยชน์ของสิ่งที่เราไปฆ่าบุคคที่เราไปฆ่าถ้าบุคคลเป็นผู้นี้มีคุณประโยชน์มากเนี่ยก็จะบาปมากบุกคคลนนะักศาท์ที่มีประโยชน์น้อยก็จะก็จะบาปน้อย เช่นค่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบาปบาปฆ่าคนอื่นค่าคนอื่นนี่เขาไม่มีประโยชน์กับเราแต่ค่าพ่อค่าแม่เนี่ยเขาพ่อแม่มีประโยชน์มีคุมกับเรามากสูงสวยก็คือค่าพ่ออารัยก็แล้วก็ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบาปที่หนักบาปหนักนี่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันะข้อหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สาม่าพ่ออาลายสี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือด นะฮะยืดยงให้พระสมเกิดความแตกแยกกันนี่เอเนอั น, นตะเลยกรรมมันครทรี่หนักที่สุด้องนั้นก็จะน่นหย่อนลงมาตามตามคนเลือดเอโทษของบุคคลที่เราไปฆ่าเช่นถ้าเราเป็นมีอาชีพเป็นเป็นเป็นทัระหารชีวิตตั้งโทษเนี่ยก็โทษบางนก็จะน้อยกว่าเพราะนักโทษนี่ก็ไม่มีกลุ่นมีแต่โทษ ที่สังคมยังต้องําจัดว่าอยู่ไปไป่อยให้อยู่ไปก็มาสร้างโทษได้กับสังคมมันเป็นเพชฌฆาตอันนี้มันก็มันก็ยังบาปอยู่แต่มันก็ยังมันมันไม่บาปเท่าไปฆ่าคนที่ไม่มีโทษคุณมาลาตรีครับการเอาชนะความโกรธได้หลายๆครั้งและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถือว่าละสังโยชตได้ไหมครับก็ละไปเรื่อยๆจนกว่ไม่มีเหลืออยู่เลย ไม่โกรธเลยใครทำอะไรกับเราเรวก็เฉยๆให้อภายได้คุณมดครับถ้าฝันแล้วคล้ายๆกับชีวิตปัจจุบันเช่นชีวิตที่ทำงานมันบอกอะไรเราไหมครับไม่ทราบเหมือนกันนะนี่คุณยันครับ อาการที่รู้ตัวว่าหลงคิดเรื่องต่างๆหลายรอบนี้เป็นเพราะสติไม่ทันความคิดหรือเปล่าครับใชเบ่เราไม่ควบคุมความคิดมันไม่คอยหยุดความคิดไปมันคิดไปแน่ๆต้องเลีจิตให้กลับมาอยู่พุทธเถรพุทธเถรบ้างไม่วพอาคิดอะไรใจรู้ว่ากําลังเลิกคิดแล้วนะเราจะไจะได้หยุดมันได้คุณบัวรื่นครับสามีของลูก อยากจะเอาอัฐิของแม่ที่อยู่รวมกับญาติพี่น้องท่านอยากเอาไปลอยอังคารอย่างนี้สมควรทำไหมครับเครื่องเนเรื่องของคนณอย่ามาถามเราได้ไงจะทําทไงก็ได้มันแค่มันค่เป็นดินนะเปนธาตุดินอย่างเงี้วนะแต่ความความรู้สึกแล้นคิดซึ่งมันอาจจะไปกระทบต่อความรู้สึกแล้นคิดของคนอื่นเขาหรปล่ามันไม่ต้องต้องไปปิดศึกกันเล คุณชัยยศครับกราบขอโอกาสรครับเวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วทําไมจึงรู้สึกถึงความมีน้ําหนักของร่างกายเคยได้ยินแต่ว่าคนนั่งสมาธิล้ร่างกายจะเบาผมมีอะไรผิดปกติไหมครับไม่หรอกยังไม่สงบถ้าถ้าทั้งหมดแล้วจะไม่มีคำม่าเสกอะไรเลยเป็นเรื่องของความปรุงแต่งของจิตนะให้รู้เฉยๆก็แล้วกันแต่ละคนอาจจะ ม, ไมีไม่เหมือนกันอาการต่างๆนี้เกิดขึ้นในระหว่างการนั่งสมาธิ คุณอังคณาครับขออนุญาตถามครับพอดีไปเห็นพระผู้ใหญ่นั่งสูบบุหรี่เราไม่ตั้งใจว่าเขาเสียหายแค่พูดว่าใครมาสูบบุหรีแถวนี้จะเป็นบาปไหมครับก็มันเรื่องของความสมควรจะพูดหรือไม่พูดการละเทศะนอาเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักการละเทศะบุคคลธรรมดาสามารถที่จะรักษาศีลสิบข้อได้ไหมครับ แล้วแต่เราเลยเจะรักษาไปรักษาไปเลยไม่มีใครห้ามเลยแต่แต่จะมีไม่จับเงินด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สิบข้อสิบใช่ไหมครับเครื่องทำสิก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะรักษาดี๋ยวรักษารักษาไป <c oughs> ก็ได้ไม่ไม่จะ ไ, ไม่จับเงินก็ได้ปั่นกันไว้กับเพื่อนก็นได้เราจะใช้เงินก็ให้เพื่อนไปนผู้ไปจ่ายให้ครับระว่างเพื่อนย้อนเงินไปหวยก็แล้ว ก, กันเนอ คุณทีครับฝ hey, ึกอานาปานสติแต่ไม่สามารถจับความรู้สึกลมออกเข้าที่ปลายจมูกได้แต่รับรู้ได้ที่ลมพองยุกที่ท้องเท่านั้นแบบนี้จะถือว่าทําอานาปานสติหรือไม่ครับได้ทําที่ท้องก็ได้ที่ปลายจมูกก็ได้แล้วแต่เราได้ทั้งสองที่ ้ากเห็นารทำงานของใจแล้วเรากล้าเผชิญกับทุกเหตุการณ์แล้วดูมันจะต้องดูพิจารณาอย่างไงถึงจะเบาได้ทั้งหมดครับถ้าเรากล้ามันก็จะเบาถ้าเราไม่โกรธตายใจเราก็จะเบาเวลาเจอความตายใจเราก็จะรู้สึกเฉยเฉเวลาจะต้องเจอความเจ็บใจเราก็เบาไม่ไม่ไปทุกข์กับความเจ็บ คุณพี่บุ๋มครับตั้งใจถือศีลแปดนอนพื้นแข็งรู้สึกตัวตลอดคืนนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นนอนมาเพลียมากๆอย่างนี้ต้องทำอย่างไรครับก็เขาไม่ให้นอนไงจะให้มานั่งสมาธิที่ให้ที่ให้นอนพื้นย่างๆจะได้นอนน้อยๆถ้าอยานอนมากๆก็อย่าไปนอนพื้นแข็งแสดงว่าอินทรีย์เรายังอ่อนอยู่ขาดการหลับนอนไม่ได้ต้องนอนมากๆเพราะมันติดมา ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆนั้นนอนขึ้นละสี่ชั่วโมงก็พอทำอีกซี่เหลือตัวอ่อนที่ยังไม่ได้ฝังครับหากไม่ได้ไปรับมาฝังอย่างนี้เป็นบาปไหมครับเหมือนจะไปผสมอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ครับเก็บไข่เก็บตัวมาสผสมกันครับคือมันก็อยู่คือว่ามันปฏิสมัมพันธ์หรือยังมันมีดวงวิญญาณเราเกาะหรื อ, อยัง เป็นดวงวิญญาณมาก่อนแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นเสียงที่มีชีวิตนะถ้าม่ฆ่าก็ถือว่าทําเป็นการเอาไปทำร้ายก็ถือว่าเป็นการฆ่าฆ่าฆ่าชีวิตทําลายชีวิตกําลังจะไปปฏิบัติธรรมหกวันครับแต่มีอาการนานๆไอออกมาในขณะที่นั่งสมาธิรวมจะบาปไหมครับถ้าเสียงไอไปกระทบการนั่งสมาธิของคนอื่นลังเลว่าจะยกเลิกไป ขอคแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็ไม่ควรรบกวนถ้าเราจะไอก็ก็รู้ก่อนจะที่นั้นไปก่อนดีกว่าไม่ไม่ไม่เหมาะสมเพราะการจะนั่งสมาธิต้องสงบใจใช่ให้นิ่งให้สงบไม่ไปรบกวนคนอื่นหรือรบกวนตัวเองถ้าต้องไอบ่อยๆแสดงว่าตอนนั้นเรายังไม่พร้อมที่จะนั่งสมาธิก็ไปจัดการกันเรื่องอาการไอให้มันเรี๋ยวเราจะก่อน ฝันว่าอยู่ในหมู่คนแต่เขาไม่เห็นเราพูดด้วยเขาไม่ได้ยินและชอบฝันว่าไปวัดและชอบฝันวันโกนวันพระครับก็ให้รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้ก็แล้วนั้นสาระประโยชน์จากการฝันนี่มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกย่าไมหวังว่าจากมันมากให้รู้เฉยๆก็พอมีชาวต่างชาติมาฟังครับแต่ว่า I don't understand your language but it must be talking about ธรรมะ Giving metta to all living creatures, showing the right path to each and everyone. n a m o r u t a y a Okay, thank you. คุณสิงคานถามว่าคารวาสบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้ไหมครับได้ถ้ามีความมีความพร้อมมีเครื่องมือมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ คุณบบุญมาครับบอกว่าถ้าเราไม่ใส่บาตรพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วจะมีอะไรกินไหมครับก็ส่งไปเถอะถ้าท่านก็มีกินของท่านนะท่านก็ทำบุญของท่านไว้เหมือนกันไม่ใช่ท่านไม่ได้ทําบุญอยู่เวลาพ่อแม่ที่ไม่ทําบุญเลยทําแต่บาตรอย่างนี้ก็ต้องอาจจะมาอาศัยบุญของลูกๆที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ส่งบุญไปแต่ถ้าได้ทาบุญมาแล้วได้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ถือว่ามีบุญติดตัวไปแล้ว ก็ไม่จาเป็นจะต้องวันเรารับส่วนบุญจากผู้ได้เทวทรัพย์แล้วก็เป็นเศรษฐีบุญนะเพราะเนี้ยแต่ถ้าไปเป็นเปรต เ, เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นขอทานขอทานบุญพวกที่มารับบุญรับส่วนบุญนี่ก็พวกเปรตเนี่ยพราะเวลามีชีวิตอยู่ไม่ยอมทําบุญทำแต่บาปชอบชอ บ, ท, ท, บ, บทํำทําบาปด้วยความโลภ เสีด้เงินเสียด้ทําทได้เงินทําแล้วกเก็บมาไว้ไม่ไม่เอาไปทําบุญแล้วก็ไปความโล อ, อยกจะได้บุญเงีงอย่างจะได้เงินเองก็ไปหาเงินมาโดวยวิธีทําบาปนีงมันก็รยกายมันเปรดไปเวลาตายเลยคุณเป๊ปครับเคยได้ยินว่าถวายของให้พระหากรับประเคนแล้วต้องฉันให้หมดภายในวันถ้าจะถวายโดยไม่ต้องให้พระรับประเคนจะทําให้พระท่านสามารถเก็บไว้ข้ามวันจะดีกว่าไหมครับ ก็้วแต่ว่าอาหารมันเป็นชน้นไหนถ้าอาหาร ม, มันเป็นอาหารสดเนี่ยมันก็เก็บไว้ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเป็นพวกอาหารกระป๋องอาหารอะไรต่างๆซึ่งเขามักจะนิยมถวายในช่วงวันปีใหม่เพราก็เห็นว่าอาหารสดมันมากเป็นไปพระเก็บไว้ฉันได้แค่ถึงแค่เที่ยงวันหลังจากเทียงวันนั้นล็อสลาบไปก็เลยถวายพวกของกระป๋องกันอาหารต่างๆอันนี้พระ ก, ก็ต้องไม่รับประเคลต้อง ให้มอไว้กับลูกศิษย์ความลูกศิษย์เขาไว้แล้วก็เวลาพระต้องการจะฉันวันไหนก็ให้เขาเอามาถวายให้ที่หลังได้คุณพระวิดาครับกับพระอาจารย์ครับอยากถามพระอาจารย์ว่าอาการปิติความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจแบบสุขสบายคล้ายอิ่มเอมในใจเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆทําให้เกิดความสุขโดยไม่ได้คิดปรุงแต่งมีโอกาสเกิดขึ้นเองได้ไหมครับ เพาะบางทีเกิดเองและไล่หาสาเหตุบางทีก็แปลกว่าเราไม่ได้คิดถึงบุญทําไมเกิดขึ้นเองได้ครับก็ให้รูว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามันเกิดขึ้นได้ทำหรับหลับถ้าเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรก็ไม่ต้องไปนสนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วกันไม่รู้เฉยๆไปพิจารณาว่าเป็นตายรักไปแล้ว น, นิจามมันเคาไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป อนันตาไม่มีไม่มีใครเป็นคนที่ทําให้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยครรู้แค่นี้ก็พอเรื่องมันมันก็หานไปถ้ า, าอยากจะให้มันวีพีอีกเนี่ยอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราก็จะต้องไปไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบนาการอะไรนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้อีกคุณ เติมบุญครับบอกว่าอยากทราบคําว่านักบุญต้นทุนคนอื่นครับไม่ทราบเหมือนกันต้อบไปหาต้นต้นต้นเทตุของผูพ้พูดคํานี้เราไม่ได้เล็นคนพูดเราไม่สามารถจะตอบได้คุณสมพรครับการละสังโยชน์มีอะไรบ้างครับก็เราเป็นคนในอินเทอร์เน็ตเลยสังโยชน์สิบประการด้วยกันง่ายๆเราจะให้นะให้ให้ให้อธิบายตอนนี้ แบบสั้นๆก็ได้สามยอสามข้อแรกก็เป็นพระโสดาบันก็คือรางกายธาตุสกายทธิติคือการเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาเป็นเราแล้วก็ละความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ละลควา ม, สสวมวาาความความไม่มั่นใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือไม่มีจริงสำหรับพระโสดาบันนี่ทนะทนะ ได้สามข้อที่ท่นก็เป็นพระโสดาบันขึ้นมาคือท่านจะไม่ถือว่าน่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาความรู้สึกเจ็บรู้สึกก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็มั่นใจว่าพระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ไม่ลองในยสงสายในเร่องกฎแห่งกรรมก็จะไม่ทําบาปโดยเล้การรักษาศิ่ง้าไปตลอดชีวิตจะไม่ไปต้องประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาแก้ เาแค่กรรมที่ตัวเองทําไว้ว่าทากรรมใดมาแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้ก็สามข้อแรกอีกสองข้อต่อมาก็คือการละก็เลยการมราลาคือความอยากจะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ความบงุดหงิดใจที่ตามมาเวลาที่เกิดความความอยากจะร่วมเพศแล้วยังไม่ได้ร่วมเพศ ม, ม, ญญมันจะรู้สึกหงุดหงดขาดใจวิธีที่จะทำให้ความอยากนี้หายไปก็ต้องพิจารณาว่าน่างกายไม่สวยงาม เช่นพิจารณาสร้างศูนี์ไม่อพิจารณาการสารติสอบของร่างกายไม่เห็นอการเหล่านี้ขึ้นมาการอยากจํานวนเพศก็จะหายไปเราขับวุ่นเหยียดใจก็จะหายไปนี่ก็ล้ได้ห้าอีกสองข้อก็เป็นห้าข้อห้าข้อนี้เรียกว่าสัญญน์เรื่องต่ำคืไม่เกี่ยวข้องกับเกี่ยกวกับเรื่องของร่างกายผู้ที่ลัสัญญาณห้าข้อ น, นี้ได้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปจะไม่มีร่างกายต่อ เราก็เหลือสัญญาณห้าข้อแล้วสัสยญา์เบื้องสูงอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับปิเลที่มีในใจก็คือการการติดในรูปปัจจานการติดในรูปปัจจานนี้ก็ตรงละถ้ามารูปปัจจานย้า้ความสงบความสมมุขแต่มันไม่ความสงบความสงบแบบชื่องาวเวลาที่มันไม่มีมันก็จะทําให้ใจทุกได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเข้าฌานอยู่แบบไม่ต้องเข้าฌานก็ได้ ความอยากจะเสกรูปประชาญความอยากจะเสกพรรูปประชาญแล้วก็ตัดนานาความถือตัวแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมถ้าเกิดจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเพาะพิจนามากๆเพื่อจะก้นหาอาวิชชาก็ต้องพักจิตบ้างเวลจิตฟุ้งเงินมากว่กมามันรับมันเสียมันรัความฟุ้งซ่นานด้วยการพักการพิจารณาปัญญาไว่เชื่อขา่าวก็เข้าไปในสมา ธ, ธิได้อุทจจั เรลาปฏิบัติทำก้นสูงนี่บางทีมัคิดอย่างตอนนี้คิดแค่ว่าถ้ามันสร้างขึ้นมาได้จะไม่ได้สร้างแบบความโลภความอยากโดยเศษกลางไม่มีมันสร้างเพราะความอยากจะบรรลุธรรมยังยังหาเหตุครับมันไม่ไม่ครบบริบทสมัตมันก็เลยยังไม่ไม่ไม่บรรลุมันก็มันก็อาจจะทําให้เป็นทํายต์เป็นอุปสรรคในการที่จะบรรลุได้ เ่็นพะอนุนเนี่ยพระเจ้ากงทั้งพยากรไม่อนุนนอกจากที่เราตายเวลาเธอสามเดือนเธอจะต้มงเป็นผ้ะจะต้องรรู้อย่างแน่นอนพอมาถึงวันสุดท้ายองวันที่จะครบสามเดือนนี่พระอนุนยังไม่บรรู้ชิพหายเลยสงสดังีิยพิจารณาทำอะไอย่างไรพิจารณาไงมันก็ไม่ยอมสงบย่างข้าในเสด็จก็คิดว่าพจามึงจะทายผิดหรือเปล่าก็เลยปองไม่ันรู้ก็ไม่รูุ้่ะ พอจะไปพจะไปนอนทนะ่าบรรลุเลยจิตปล่อยวางปล่อยวางความอยากที่จะบรรลุอันนี้คือปัญญาบางทีคิดมากามันจะฟุ้งซ่านต้องหยุดมันมันกายเป็นอุปสรรคของการบรรลุทำได้ถล้วก้อสุดท้ายก็ให้ต้องเห็นเห็นต้องกำจัดวิชาก็คือความความที่ยังไม่เห็นอริยสัจครบถ้วนบนบูบุญยังมีอริยยสัจ ท, ท, ที่ละเอียดที่ยังมองไม่เห็น ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นให้ได้ก็คือความอยากมบรรลุเป็นธาตนิพพานนี่เป็นความอยากเป็ น, ปนต้องเนื้อเกือวิชาก็ต้องหยุดความอยากบรรลุเป็นธาตอาหารเราบรรลุลไมบรรลุว่าช่างฮอร์โมนให้มีสต็คอยควบคุมจิตให้มันสงบเท่านั้นเองก็บอมันก็เลยบรรลุได้ <c oughs> วันนี้ก็คือสัมยุนโย์โดยโดย เคยสังเกตก็แล้วกันูง่ายๆได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับเคยอ่านของหลวงตาก็เคยติดอยู่ตรงนี้อยู่สักพักที่ท่านบอกว่าท่าหลวงปู่มั่นยังอยู่ท่านจะเลิกใ ช, ใช่เพราะท่านไมเห็นความสวาม่างสวายของจิตน่ะที่ว่าเป็นพระที่ผ่านะนะก็เลยไปยึดไปติดไปรักษาความสวาม่างนี่ซึ่งความสว่างนี่มันก็ยังเป็นวิชาคือมันมันเป็น มันเป็นสภาพของจิตที่มันละเอียดมันสงบแล้วมันเกิดแสงสว่างขึนสว่างสวขึ้นมาแต่มันก็เป็นนิจจ์มันไม่เที่ยงมันไม่ได้สว่างตลอดเวลาบาเวลามันก็ความสว่างก็หายไปพอหายไปก็พยายามที่จะให้มันโผล่ขึ้นมาขก้นข้ามอยาดเนี่ยอยากให้มันสว่างอยากให้มันสงบตลอดเวลาแต่มันยังไม่สงบตลอดเวลาก็แสดงว่ามันไม่ใช่นิพานถ้านิพานแล้วมันจะสงบตลอดเวลาถ้าเป็นรักษามันก็แสดงว่าเราก็ยังต้องมี เราก็ยังต้องทำหน้าที่ไปรักษาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นว่างานยังไม่เสร็จ้แต่ถ้าเป็นนิพพานเราไม่ต้องรักษาจิตมันจะเป็นมันจะสงบมันโดยธรรมชาติของมันเองพอตรงนี้ก็เลยเลิ่มรักษามันปล่อยมันมันจะมันจะเปลี่ยนไปจากสว่างไม่สว่างก็ปล่อยมันไปพอปล่อยมันไปปั้นมันก็มันก็หายไปเลยความสว่างก็หายไปมันก็เหลือแต่ความว่างที่ยัางยืนถาวรเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นนิพพานขึ้นมา นิพพานกะลังศูงอย่างาญญญาต้องสูนต้องว่ า, างจริงๆความสว่างนี้ยังไม่ใช่ใ น, นิพพานเหตุอะไรที่ทำแล้วเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดติดตามไปได้ทุกพบทุกภูมิครับก็เนี่ยบุญที่พรชเจ้าสอนให้ทำสามข้อเลยกันให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาละการกะทำบาปทำทาบุญทากุศล ให้ถึงพร้อมแล้วก็ซักครอบจิตใจให้สะอาดกำจัดคําโลภกวนลงให้หมดสิ้นไปจากใจกาทำสามข้อนให้มันติดเป็นนิสัยไปนะ้วมันก็จะติดไปกับเราทุกโพทุกชาติเป็นบารมีขึ้นมาอยู่ที่ทำงานมักจะได้กลิ่นทูปรอบๆตัวบางทีได้กลิ่นดอกไม้อมหอมมทั้งที่ไม่มีใครจุดธูปต้องแผ่เมตตาใช่ไหมครับไม่เกี่ย ว, วไม่ต้องแผ่แผ่ให้ใครละ ยังไม่รู้ใครเลยแล้วไปแข่งไม่ตราดทำไมก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเกิดแค่นั้นก็พอแล้วก็ปล่อยวางมันอยากจะถือสินแปดครับสินแปดมีอะไรบ้างครับก็เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เสพไม่ร่วมเพศกับใครไม่โกหกแล้วก็ไม่เดือดรายยามาไม่เปนรับประทานหหลังเที่ยงวันแล้ว ไม่ดูมอหสบทบันเทิ ง, งต่างๆไม่เที่ยวตามสถานบันเทิ ง, งต่างๆไม่ทำไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่วิจิตพิจารณาเนื้อเครื่องสมอาตงต่างๆแลไนนน้ไม่นอนบนเตียงที่ไม่ฟุ่งฟนาให้นอนบนเตียงที่เป็นเพืองแข็งๆนี่ก็คือสิ่งแปดข้อด้วยกันสัมมาทิฏฐิทําให้เกิดได้อย่างไรครับ ก็ถ้ายังไม่มีก็ต้องอาสายผู้ที่มีสมาธิสอนเราก็าคือฟังธรรมศึกษาธรรมจากพระพุพพทธธรรมพระสงฆ์ตอนที่ไปนอนที่วัดครับนั่งภาวนาเสร็จแล้วก่อนนอนไม่ได้ไม่นอนไม่ได้หมามันหอนทั้งคืนอย่างนี้เป็นเพราะเหตุใดครับเพราะกลัวเนี่ยกลัวผี การตามลมหายใจเข้าออกกับการบริกรรมพุโทโธอย่างนี้เหมือนกันไหมครับรก็ในอย่างใดๆก็เป็นวิธีที่จะทําให้จิตให้สงบได้เป็นการมที่เรียกว่กกกากรรมฐานแต่ตามวิธีกันการให้เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูพี่น้องได้บุญเหมือนทําบุญให้วัดไหมครับเหมือนยอดได้บุญในกันดาจะมากน้อยไม่เท่ากันเพราะว่า ให้คนที่เรารู้จักเราลักเราชอบมันง่ายกว่าการที่เราไปทำกับคนที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราต้องใช้กําลังมากกว่าเวลาที่เราจะต้องไปทํามือกับคนที่เราไม่รู้จักกาทำกับคนที่เรารู้จักหรือเรารักเราชอบนี่เราก็ทํ า, าทง่ายกว่าง่ายกว่าเหมือนความรู้สึกสุขใจมันก็น้อยกว่าความรู้สึกที่เราได้จากการทํามุอที่ยาก <c oughs> คุณหาไทยขวัญครับบอกว่าลูกชายเสียชีวิตไปตอนสามขวบเพราะโรคหัวใจเป็นเพราะกรรมของพ่อแม่หรือของลูกและมักจะโดนญาติบอกว่าแม่ไม่มีบุญได้ลูกชายครับเป็นกาล้มลกเพราะแม่ไม่เกี่ยวการรักษาสีลสิท์ไม่จับเงินแต่ว่าใช้วิธีสแกนคิวอา์โค้ดแทนอย่างนี้ถือว่าไม่จับเงินได้ไหมครับได้ ถ้ายังจับเช็คได้นะโยมทรายน้ำเช็ของหวานบานี้รับได้เลยแต่ถ้าเป็นเงินรับไม่ถ้เป็นธนบาัตรับไม่ได้ก็รถือว่าธนบัตนี้มั น, เ ป, นเป็นเงินเป็นทองแต่เช็คนี้ถือว่าเป็นเป็นเหมือนกระบาบประวันอะ่ะคุณโซเฟียครับ <c oughs> ถ้าเราเห็นว่าร่างกายสังขารเราไม่ใช่ของเราวันหนึ่งก็ต้องจากกันแต่เราแค่ต้องการบํารุงร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงและมีความงดงามตามโลก อยู่ถือว่าเรายังตัดไม่ได้หรือเปล่าครับก็ก็ไม่รู้มือนกันตัดไม่ได้หรือที่เราเราทุกข์กรรมหรืยเปล่าถ้าเราไม่ทุกข์กรรมแล้วก็แสดงว่าเราตัดได้ถ้าเรายังทุกข์กรรมอยู่เราก็ยังตัดไม่ได้ทุที่ตัวทุกข์ก็แล้วกันจะดื่มกาแฟใส่นมหลังเที่ยงช่วงปฏิบัติธรรมในวัดได้ไหมครับถ้าอยู่ในศีลแปดครับ ไม่ได้ถ้าถือสินแต่แล้วยังเที่ยงน้อยกินอันนี้ก็ต้องทําตามวินัยของพระวินัยของพระก็คือนมนี้ถือว่าเป็นอาหารนั่งดืด่มหนึ่งกาแฟร้อนเย็นหนึ่งกาแฟร้ําได้อยู่ใส่น้ําตาลได้อยู่แต่ใส่ผงครีมไม่ได้ใส่นมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอาหารคนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้จะเป็นอย่างไรครับก็โกงขโมยเงินคก็ไม่อได้ ชอบกองก็หลอกหลวงโกหกหลอกหลวงสองก็ทงยืงมเงินเขบอกก็ยืมใช่ไหถ้ายืมล้วองว่าต้องใช่ใช่ไหมอนาแสดงว่าไปหลอกเขาละแล้วเงาเงินเข้ามาเดินไม่ชอบนี่ก็เป็นการขโวยเงินด้วยสองสองก็ทงด้วยกันนัดซับแล้วก็หลอกหลวงคุณหุยครับกระสินลมมีลักษณะยังไงใช้การดูลมหายใจเข้าออกไหมครับ ไม่มีเลยกสินนมไม่มีไม่ได้กระสินนี้จะเป็นสีนอกปากสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวถ้าเป็นนมเนี่ยเรียกอานาปนสติเป็นนมเข้านมออกไม่ใช่เรไม่เรียกว่าเป็นกระสินเราเรียกว่าเป็นเป็นพุทธเป็นเป็นอนุสติอนุสติมีสิบชนิดเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆ า, านุสติเทวนุสติบารานุสติกายคตาสติเป็นต้น อันนี้อยู่ในกลุ่มของมนตั้ติสิบข้อส่วนกระเสนนี่ก็เป็สีขาวสีเขียวสีแดงสีอะไรต่างเป็นกุลามีข้อในลกลุ่มกับนมกับกระเสนี่อยู่ใ น, นลกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวมีโรคร้ายต่างไปถือว่าเป็นกรรมส่งผลจากการกระทําอกุศลมาก่อนหรือเปล่าครับก็เป็นอย่างนั้นนตามกฎแห่งกรรมที่ท่านแสดงว่าถ้าทําบาปในอดิตชาติเวลามาเกิดนี้ก็มากจะได้ผล ร่างกายที่ไม่ดีร่างกายอาจจะพิกาพิการอาจจะอายุสั้นอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียเบีเป็นต้นคุณสุดทางรักครับบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอันดับแรกดวงจิตมุ่งตรงไปที่ไหนก่อนครับน่าแต่บุญหรือบาปเป็นผู้พาไปเนถ้าบาปมากกาก็พาไปอบายถ้าบุญมากกว่าก็ไปพาไปสวรรค์เช่นต่างๆ วยความบุญกบับบางมีกำลังเท่ากันก็จะมารอเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคุณพึกษาครับผู้ที่เข้าถึงพระโสดาบันต้องมีสมาธิในระดับใดจึงจะสามารถใช้ปัญญาละสังโยชสาประการได้ครับต้องเข้าฌานได้ต้องเข้าฌานที่สีได้ต้องมีอัปปนาสมาธิหรือโมหะถึงจะสามารถปล่อยวางทราโยดาณสัรโยได้ คุณจุทามาถามว่าเหตุอะไรที่ทำให้เป็นหนี้ไม่รู้จบครับความโลภการใช้เงินแบบเกินตัวถ้ามีความมั่งน่อยสัน้นโดดรับประกันได้ยังไม่มีหนี้สินอยู่ใครคุณสุนิตครับคนชาราที่เสียชีวิตขณะดลงห ล, ลงลืมลืมจิตวิญญาณจะไปสู่สุขติได้ไหมครับก็ แ, แต่ว่าบุญก บ, บา่าขอเอะไรมากกว่ากันไงถ้าบุญมากกว่าบาก็ไปได้ มัไม่เกี่ยวกับควา ม, ล ม, มลยยาหลงเงินอะไรยางไรกฎแห่งกรรมก็ไม่ลืมกฎแห่กรรมก็จําได้หมดว่าบาปของคนที่มันทําไว้อนาจะมากกว่ากันคุณเล็กครับมีเพื่อนชอบออกโรงทานเวลากริถิญผาป่าแต่ไม่ชอบทําบุญถวายปัจจัยแบบนี้จะได้บุญกุศลแบบใดครับก็เหมือนกันอ่ะมันแทนกันได้เงินเงินทองข้าวของเนี่ยมันใช้แทนกันได้บางคนชอบถวายเงินเพราะมันไม่ยุ่งยาก แล้วเอาเงินไปเลยบางคนก็ชอบทานกับข้าวบ้างถวายผ้าไตบ้างอะไรก็สุดแท้แต่ความชอบของแต่ละคนมันก็เป็นทานเหมือนกันในการเสียสลาแบ่งไปได้บุญเหมือนกันหนูอยู่สามจังหวัดพบปะชาวอิสลามซึ่งมีความสวยงามในการภาวนาตลอดวนันหรือแม้แต่กินเจจนเกิดปิติมากๆไม่เกรงกลัวอันตรายใดทั้งสิ้น แต่แต่โดยฉันรู้ว่าพูดเราต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้จริงไหมครับอาจารย์อะที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ใครทำดีกว่านี้คือคือเขาเขาพูดเหมือนลักษณะที่ว่าเขาอยู่สามจังหวัดภาคใต้ครับแล้วก็มีเพื่อนเป็นอิสลามแล้วก็มีความสวยงามในการภาวนาแม้แต่กินเจจนเกิดปิติก็ไม่แล้วคนอิสลามก็ไม่ค่อยเกรงกลัวกับอันตรายใดๆครับแล้วบอกว่าแต่เขารู้สึกว่า ศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็ไม่กล้าตอบนะเพราะเราไม่รู้เรื่องของศาสนาเขาว่าเป็นยังไงอย่าไปเปรียบเทียบไปเลยศา ส, สนาใครศาสนาบันทีม่มาจะไม่มีปัญหากันทุกคนก็ต้องคิดว่าศาสนาของตอนดีกว่าถึงรับถึงศาสนานนการฟังธรรมจะได้อะไรบ้างครับก็มีอันน้สองห้าข้อในการร้า หได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อน 2. องทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ฟังซ้ำอีกว่จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะทําให้ความสงสัยต่างๆหมดสิ้นไปได้ 4. จะทําให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในทางห้ 5. จะทําให้จิตสบงบผ่งนใสมีความสุขคุณอโนุมาครับ พระอาจารย์มีคําแนะนําในการเจริญปัญญาหลังจากนั่งสมาธิอย่างไรบ้างครับก็พิจารณาตายรนะับในเรื่องที่เรายัางเรายัางหวงรักยังหวงอยู่เช่นถ้ารักแฟนห่วงแฟนรักโลกรักมีก็ต้องพิจารณาว่าเขาไม่เทียมวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพลาดท่าจากกันเป็นธรรมาดาถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนเวลาจากกันเราจะได้ไม่ทุกข์เราต้องพราะเราปล่อยวางแล้วก็จะรับไป ถ้ารารักกระไรก็ต้องพิจารณาเป็นตายละให้หมดถ้ารักสมบัติเข้าของกันทาก็เหมือนกันรักยศนับนับตำแหน่งก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งมันก็จะต้องสิ้นสุดลงทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรทุกอย่างในของไม่ที่ทั้งหลดพิจารณาโลกธรรมแปดโลกธรรมทั้งสี่ก่อนไม่ได้รันยศสนเสริญสุขเนี่ยทั้งรูปเสียงกินรสมันก็เป็นคําชื่อข่าว พรถ้าเราพิจารณาแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันได้เวลาเกิดขึ้นเราจไม่เศร้าสศกเสียใจคุณร่มเย็นถามว่าถ้าร่างกายเจ็บป่วยเวลาทําบุญต้องกล่าวให้ท่าทั้งสี่ขันทั้งห้าของเราก่อนอุทิศให้ผู้อื่นหรือเปล่าครับมีคนเคยสอนครับไม่เกี่ยวกันเลยเวลาทําบุญนี้เราก็ทําไปเลยแล้วเราจะอุทิศบุญให้ใครก็อุทิศไปได้เลย ธาตุขเราไม่ต้องไปอุทิศให้มันหรอมันไม่รู้เรื่องที่เราทิ้งที่แล้วอุทิศให้กับพวกดวงวิญญาณยิทนท้าลงไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบุญหรือเกี่ยวกับบาปที่เราทำอย่านีที่แต่งดวิญญาณนะี่ที่เขาจะรับรู้คุณจอยครับอยากจะไปนิพพานครับถ้าไม่ได้ไปบวชต้องสวดมนต์บทไหนครับชวนมนต์เนี่ยนิ่วไม่พอหรอกอันนี้เป็นจดนุดเริ่มต้นของการฝึกสมาธิ ส่วนบนแล้วก็นั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งให้สงบให้เป็นปัญญาสมาธิให้ได้ให้มีอุบเบกขามีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้แล้วก็ไปใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ า, ากิเลสนี้เป็นตัวที่พายเราทุกข์พายเราเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ขั้มไม่มีกีเลยก็ต้องตัดมันให้ได้ตัดมันให้หมดมาจากไหนก็จะไปถึงนิพพานได้ ทุกครั้งที่มีสติผมจะพิจารณาการเกิดดับของอายตนะผมควรจะดูเฉยๆหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาครับคือให้รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วถ้าเราไปยึดไปติดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เช่นถ้าเราติดรูปคนนั้นคนนี้อย่าอย่าไปติดเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นรูปของคนนั้นคนนี้ก็ได้เราก็ต้สนใจว่าอย่าไปยึดไปติดเขาไม่เที่ยงรูปต่างๆไม่เที่ยงเสิยงต่างๆไม่เที่ยง มีมามีไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้บังคับผมไม่ได้เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปก็จะไปเราก็อยากไปยึดไปติดไปเข้ามาไปเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทึบเวลาที่เข้ามาแล้วเข้าไปเข้ามาคือการสอนใจไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นของชั่วคราว คุณชัดสุดาครับอาชีพค้าขายสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหารเป็นกรรมหนักไหมครับยังไม่เป็นกรรมหนักเป็นอาชีพที่มีนคนอยากทำเพราะเราไม่ได้ทํากรรมเองนะไม่ได้ฆ่าเองแต่เพียงเราช่วยสนับสนุนสบเสริมให้มีการค่ากัคนควรจะทําทอาชีพเป็นหมอที่หกึ่เป็นพยาบาลที่หนึรืออาชีพเรื่องปัจจัยสี่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหรือขายยาหรือรทําบ้านตัดสรรอะไ ร, ราําลังนี้ มันก็เป็นลัคุณประโยชน์ไม่มีโทษที่บ้านเป็นร้านค้าต้องขายเหล้าครับขายให้ลูกค้าอย่างนี้เป็นบาปไหมครับทำไมต้องขายด้วยก็เลิกขายได้ขายอย่างเงยก็ได้ที่อื่นนี้เขาไม่ขายเหล้าก็มีตั้เยอะยะนะถ้าเราอ้างว่าต้องขายมันก็มันก็มันก็เป็นอาชีพที้ไม่นควรทำเพราไปส่งเสริมให้คนดื่มสุรายางมาแล้วทําให้เขาไม่มีสติแล้วเขาจะไปทําร้ายผู้อนต่อไปได้ ในเหตุที่เกิดจากการกับเมารถถับที่มีปัญหาเยอะแยะใช่ไหมทุกครั้งที่มีการหยุดมันหยุดยาวนี่ต้องมีการ ล, ง ล, ง ล, งลงนรมแว่เดื่ดรถขับกันเพราะเกิดอบัติเหตุเยอะจากการเดือดสลายยางเราแล้วก็เป็นทาร่าของคุณหมอทั้งหลายที่จะต้องมาคอยคอยรักษาพยาบาลกันเองครับอันนี้กำลัง สภากำลังทำกฎหมายใหม่ให้ขายเหล้าได้ตอนบ่ายแล้วครับอาจารย์เออยิ่งส่งเสริมให้หมอมีงานมากขึ้นกระจายเงินเดือนหมอให้หน้อยลงไม่ยุ่นจะไหวเลยแล้วก็มาแล้วก็มาด่าหมอว่าไม่ทำหน้าที่ของหมอให้เต็มที่ครับน่าเห็นใจนะหมอส่วนใหญ่เ น, นีไม่ค่อยอยากจะทำงานกับระบบเ น, นยาราชการนี้ไปอยู่เป็นเอกชนเนี่ยไปเบิดคิกของตัวเอ ง, องเนี่ก็สบายใจกว่าใช่ครับ คุณกิฟครับบอกว่าตั้งใจจะไปกราบฟังธรรมหน้ากุฏิอาจารย์ครับจะไปวันไหนได้บ้างครับก็มีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระและวันหยุดราชการวันที่วันหยุดนักขั้นต่ำเช่นวันนี้ก็มีการแสดงธรรมวันเปวันหยุดหยุดราชการวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการหรือวันหยุดชดเชยทั้งวันของวันหุดของรัฐวิสาจิตก็ดีวันหยุดขงรัฐบาลก็ดีก็ ก็มีการแสดงธรรมทุกวันบ่ายสองโมงที่น่ากติแสดงธรรมสามสิบ น, นาทีแล้วต่อด้วยการนั่งสมาธิอีกสามสิบนาทีเสร็จแล้วก็มีการทําบุญถวายทานหลังจากานั้นก็มีการถามตอบคําถามต่ออีกช่วงหนึ่งก็จะเริาาเ ก, ก, กประมาณเกือบเกือบสี่โมงได้กันประมาณสามโมงสี่สิบห้าก็จะจบถ้ามาไม่ได้ก็สามารถดูดูสดได้ทุกวันมีการถ่ายทอดสดทุกวัน ที่ในเฟซบดูกนี่ยหรือในยูยอมรับโรค SLE ของตัวเองแต่รู้สึกเสียใจที่อยากจะไปปฏิบัติที่วัดไม่ได้เพราะสงบกว่าอยู่ที่บ้านแต่กังวลเรื่องไอที่เป็นปัญหาที่ปอดตลอดชีวิตไปกระทบคนอื่นครับอยากขอคำแนะนำพ่อตาลครับก็าอยากจะปฏิบัติที่วัดก็ไปปฏิบัติที่ไม่ต้องไปปฏิบัติแขวใคร ก, ไไกไ็ได้เราว่าเขาให้เปิ ให้ปิดเราอยู่คนเดียวให้ปฏิบัติคนเดียวแลาวก็ไปอยู่ที่กุฏิของเราที่พระมาแล้วเราต้ปฏิบัติของเราที่เราต้องไปที่ว่าก็สถานที่รักสาบอก็อยู่ที่บ้านเราอย่างที่ว่าเรานี่นเราก็มีสถานที่ให้ไปปฏิบัติผู้ชายก็ไปอยู่กับพระบนเขาผู้หญิงก็มีบ้านบนเขาที่สามารถไปอยู่ปฏิบัติอยู่ตามลำพัได้เราให้เพื่อนบ้านเขาลําบาก แต่เราไม่ใส่บาทเราจะได้บุญไหมเพราะเราทำสองอ่านไปเข้าใจนะครับพระอาจารย์เขาเขียนอย่างนี้ครับเราให้เพื่อนบ้านเขาลําบากแต่เราไม่ใส่บาทเราจะได้บุญไหมคะเพราะทำสองอย่างไม่ไหวเห็นพระฉันไม่ไหวเยอะมากมันไม่เกี่ยวกับถ้าที่ไหนเขามีามากเราก็ไปทําที่เขาไม่ที่มีน้อยก็ได้ทําอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องทํากับพระก็ได้ทำกับคนขอทานก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกัน มันไม่ได้เกิดจากการทําบุญกับภาพเพียงอย่างเดียวทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เขาต้องการให้ความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาก็เรียกว่าเป็นการทําบุญคุณทรายครับเราเผอปัดมดแล้วมันตายไปแบบนี้ส่งผลยังไงครับเราไม่มีบาปแทนเลยว่าเราไม่มีเจตนา แต่ก็อาจจะทำให้ม้วนตอนโกรธแล้วจองเวรจองกรรมเราก็ได้คุณกุ้งครับมีวิธีแก้ความวิตกกังวลซ้าไปซ้ามาได้ไหมครับได้อยอมรัความจริงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพหลังก็บอกโอเคเซราเซรา <c oughs> อะไรจะเกิดก็น้องเกิดคุณอ่อนครับ การเรียนถามเหมือนว่าบางครั้งอยู่ๆก็จะจําความรู้สึกตอนตายได้เป็นความรู้สึกเคว้งคว้างว้าเหวไม่เหลือใครไม่เหลืออะไรเป็นความรู้สึกอ้างว้างแบบบอกไม่ถูกเป็นเพราะหนูเป็นคนยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเพราะถึงเวลาจะต้องทิ้งทุกอย่างมันเลยเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาครับใช่เรายังไม่พร้อมที่จะปล่อยวางไม่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวเพราะเราไม่ได้ฝึกสมาธิกันถ้าเราฝึกสมาธิแล้วจิเราจะสงบไม่แน่น เาจะรู้สึกว่าอยคนเดียวนี่มีความสุขมากงั้นพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มามาให้จิตสงบต้องมนความสุขจากการอยู่คนเดียวให้ได้้ต่อไปเราจะตายเราจะรู้สึกเศร้าสศยไหมเงาดูจิตตัวเองว่างนิ่งมากเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าไม่คิดมันก็นิ่งถ้ามันคิดมันก็ไม่ว่ามันก็ไม่นิ่ง คุณอัชราครับถามพระอาจารย์ต่อเนื่องเรื่องเดินจงกรมเพื่อทําสมาธิเวลาลูกเดินจะภาวนาพุทโธพุทโธตลอดเวลาก้าวเท้าซ้ายขวาการทําแบบนี้สามารถทดแทนการนั่งสมาธิได้หรือไม่เพราะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นครับไม่ได้หรอกเพราะการนั่งสมาธินี้จะสงบมา ก, การเดินเพราะการเดินนี้จิตยังต้องทํางานอยู่ยังต้องควบคุมบังคับให้ร่างกายเดินไปเดินมาอยู่จิตยังจะไม่สามารถสงบได้แต่นิ่งได้เต็มที่ แต่ท่านานั่เฉยๆในจิตยังไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ดูเฉยๆดูลมเฉยๆน้ำบริกับพุทโธเฉยๆจิตนั้นความสงบจะต่างเดิมโยนโยกรมนี้จะได้สติแต่จะยายกต่อการจะได้สมาธิแต่ถ้าการน้านี้ก็จะได้ทั้งสติก่อนมีสติแล้วก็ทำถ้ามีสติต่อเ น, นื่องต่อไปจิตก็จะนิ่งจะว่าจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา การสวดมนต์จากบทพระสูตรต่างๆสามารถป้องกันพยันตรายได้จริงหรือไม่ครับไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ดีไม่ต้องไปมีมกองทัพไม่ต้องมีอะไรทุกคนมานั่งสวดมนต์กันที่ชายแดนอยู่ตอนนี้นนสวดไปแร้ดูสิเ ข, า, ขาจะมาบุกเราทำไมถ้าเขาเขาเขาเรียกว่าเราไม่มีอวบอะไรเขาก็ยิ้มคุณธัญพรครับ ให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนแต่ไม่ค่อยได้ใส่บาตจะได้บุญแบบไหนครับและบุญต่างกับการใส่บาตรมครับไม่ต่างเพราะพ่อแม่นีถือว่าเป็นผู้มีพระคุณมากเท่าเท่ากับพระสงเจา้าเพราะพ่อแม่ไป็นผาหานข อ, องโลกการได้ทำงานกับพ่อแม่ได้บุญมากที่ร้านขายกับข้าวครับแต่ถ้าเห็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินจะแบ่งปันให้เสมอแบบนี้ได้บุญไหมครับได้เหมือนกัน การมีสติกับปัจจุบันดูลมหายใจในแต่ละขณะจะเหมือนกับนั่งสมาธิไหมครับก็เหมือนกันนะการนั่งสมาธิก็ต้องดูลมเป็นการดูลมนี้ยังไม่ได้เป็นสมาธิเป็นการขั้นตอนของการเข้าสมาธิดูลมไปเรื่อยๆแล้วจิตหยุดคิดเมื่อไหร่จิตก็จะเข้าสมาธิได้คุณชัยนุชครับ โยมต้องเข้าผ่าตัดก้อนเนื้อเดือนหน้าควรฝึกหรือทําใจอย่างไรให้จิตไม่ทุกข์ครับก็ยอมับว่าร่างกายเป็นไม่เที่ยว ก, วกว็แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมาดาแล้วก็พยายามนั่งสมาธิทําใจให้เง่ยเพื่อจะได้รับความจริงอันนี้ให้ได้ถ้าเรายอมรับความจรงิงได้ด้วยกําลังของสมาธิใจของเราก็จะไม่ทุกข์ คุณสุภาพรบอกว่าเคยขับรถไปเจออุบัติเหตุครับแล้วน้องคนที่นั่งไปด้วยเขาเสียชีวิตดิฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแล้วมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของวาล์กกรรมของเขาวาล์กที่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเสียชีวิตอาจจะเป็นเราก็ได้อาจจะเป็นเขาไม่ไดไม้มีใครรู้คุณปรึกษาครับ สัญญาอารมณ์เป็นยังไงพระอาจารย์เวลาที่พิจารณาเกิดเป็นสัญญาอารมณ์แล้วไม่เกิดประโยชน์หลวงตามหาบัวให้กลับไปพิจารณาสมถะแทนหรือครับ เ, เวลาเั่นสมาธิบางทีก็เผลอไปคิดถึงอดีตคิดถึงคนนั้นคิดท่านี้อะไรเราสัญญาความปล่อยให้ไปคิดอย่างนี้มันก็จะไม่สงบต้องกลับมาที่พุโทโธพุโทโธพุโทพโธแลดูความหายใจเพียงอย่างเดียวจิตถึงจะสงบได้ นั่งไม่มีสมาธิเลยครับสดมน์บ่อยๆก็มีฟุงบ้างจะได้อะไรไหมครับก็ได้ได้ความเพียรพยายามอ่าที่ต้องมีทุกคนก่อนแล้วก็ต้องเพียรพยายามในวิธีที่ถูกก็คือเพียรพยายามเจริญสติให้บ่อยให้มากขึ้นก่อนไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งอย่างเดียวควรจะเพียรพยายามเจริญสติทั้งวันเลยตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเดือนตายขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจนะ เรื่องต่อไปเราก็จะมีสติมากวันนัน่งจิตก็จะสงบได้ง่ายคุณสิริวิไลครับการแชรธรรมะของพระอาจารย์ถือเป็นการสะสมอริยทรัพย์ไหมครับไม่เราเป็นการทาทานอะไรเป็นการแบ่งปันทานความสุขให้กับผู้เราเรียกว่าเป็นขั้นต้นของการศาสมอริยทรัพย์ก็ได้ อริยทรัพย์ที่แ้จรงนี้ต้องขึ้นถึงขั้นปัญญาทึงจเป็นอรยทรัพย์ได้ขั้นทานศีนภาวนาขั้นทานศินสมาธินี่ยังถือว่าเป็นโลกีิยทรัพย์อยู่การเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเอยียงต่อเนื่องถือว่าเป็นการตัดภพบตัดชาติไหมครับถูกต้องก็ทําให้ความอยากน้อยลงไป คุณธินกรครับนั่งปฏิบัติธรรมด้วยการรู้เห็นสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสียงที่ได้ยินมีตัวมารับรู้แล้วว่างเป็นอนาัตตาแล้วเห็นวางความว่างก็วางความรู้สึกก็วางแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็ ถ, ถูกต้องมันบังส่วนแต่ยังไม่ถูกต้องหมดจ ะ, จะวางได้จริงเราไม่ต้องเจอเวลารูเสียงกินล้วมันทาความทุกให้กับเราเช่นใครก็ด่าเราอย่างี้แล้ว เ, เราวางเฉยได้หรือไม่ไม่ไปโกรธเขา อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตอนที่เราพิจารณาเองไม่ได้มีเสียงมาด่าเราเรายังไม่รู้ความจริงว่ า, าทําได้หรือไม่ได้เห็นเราต้องรอเวลาที่เราไปเจอของจริงก่อนอันนี้เป็นเพล ง, พงแต่เป็นการทําการบ้านสอนใจไว้ก่อนว่าเราต้องปล่อยวางเสียงนะใครก็จะชมใครก็จะดา่าแล้วก็ต้องเฉยเฉยอย่าไปยินดียินไล่เห็นรูปที่ที่ชอบไม่ชอบก็ต้องเฉยเฉยอย่าไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาอันนี้เป็น ขั้นต้นก็เป็นการสอนใจเป็นขั้นทฤษฎีก่อนแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปทดสอบในขั้นปฏิบัติไปเจอของจริงเวลาไปเจอใครเขาด่าเราหรือ ใ, ใครก็เอาเอาข้าวของเงินทองเราไปเราจะโกรธเขาหมถ้าเราไม่โกรธแสดงว่าเราปล่อยวางได้ปล่อยวางรูปที่เราเห็นได้ถ้าก็จะขโมยก็ไปถ้าขโมดไปมันก็เป็นแค่รูปนั่นเองเงินทองก็เป็นก็เป็นแค่รูปเหมือนกันเขาดา่า ที่เราเห็นด้วยตาก็ถือว่าในแค่รูปมันก็เป็นของไม่เทีย่ยงมันจะไปก็ต้องปล่อให้มันไปมันเป็นอน้าตาเราห้ามมันไม่ได้ต่างมันไม่ได้เห็นจะรู้ว่าทําได้ไม่ได้ต้องต้องเวลาที่เกิดเหตุการณ์จิตว่าเราสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ไหรือไม่การให้กับญาติพี่น้องที่ไม่รู้จักพอเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่อันนี้มันคิดอย่างไงก็ได้แล้วก็ไม่รู้ความจริงในอดีตว่าเป็นยังไงมาก่อนคุณกุณทิดาครับทือสินแต่แต่ขอทาแค่ครีมกันแดดอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าทาเพื่อสุขภาพได้แต่ถ้าทาเพื่อความสวยงามไม่ได้เพราะการสวยงามนี่มันเป็นการเสรีกามเสียรูปของว่าเสียเสรีรูปของน่างกายแต่ถ้าทาถ้าท า, ากาัน ไม่ให้จ็บไข้ได้ป่วยนี่ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาลได้อ ย, อยากให้พระอาจารย์อธิบายธรรมะเรื่องการพัฒนาให้มีปัญญาได้อย่างไรบ้างครับปัญญาก็มีอยู่สามขั้นตอนไงปัญญาขั้นแรกก็คือเรียนรู้จากผู้อื่นก่อนเรียนรู้จากพระพุทธเพื่อธรรมเพื่อสมอ่านหนังสือธรรมะความเทศความธรรมสนทนาธรรมกับครู บ, บาอาจารย์เช่นเกินนี้อันนี้เราเริ่มต้นปัญญาขั้นที่ไหน เรื่อปัญญาที่เกิดจากการศึกษาล่ำเยนภาษาพระทั้งเรื่องสุตตามยาปัญญาขั้นที่สองก็เอาไปทําการบ้านปัญญาขั้นที่สองก็คือธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังในวันนี้เอาไปทบทวนดูอยู่ให้ล่ำเลงไม่ว่าจิตตามมียปัญญาให้นึกให้คิดถึงทำพิจารณาทำอยู่เนืองืองที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้เราพิจารณาว่าเราเกิดเ้าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดามร่วงหยความแก่เจ็บตายไปไม่ได้ ใคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆอันนี้เรื่องขั้นที่สองรักษาปัญญาความรู้ที่เราได้จากการเรียนรู้ไม่ให้ลืมมาถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราก็จะลืมได้ขั้นที่สามเราไปใช้กับการปฏิบัติคือเวลาเจอเหตุการณ์จริงเวลาเราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าใจเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดหยุดใจเราได้เราก็ต้องไปทําสมาธิก่อน ทำสมาธิได้แล้วนะเจอความจริงใจก็บ่อใจก็จะยอมรับได้พราะมีสมาธิช่วยช่วยให้ใจยอมรับความจริงได้ใจก็ยังไม่ทุกนี่คือปัญญาขั้นที่สามระดับความทุกใจได้ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่สามก็คือต้องไปฝึกสมาธิเรื่ยถ้าจะเรีจริงยๆอย่างเดียวหรือจดจําอย่างเดียวมันไม่พอกาลังไม่พอ นั่งสมาธิจนร่างกายเบามีความสุขปิติมากต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับนั่ง่อยๆให้มันนั่งชั่วขณะให้มันจานานซะเป็นวิธีหาความสุขแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงเข้าไปเข้าสมาธิแทนคุณคริสครับช่วงเวลาที่ต้องทํางานบางครั้งสติไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ทําที่งานที่ทําแต่พอเอาสติมาขูก่กับลมหายใจกับจดจอ่อกับงานที่ทําได้ต่อเนื่องครับ ก็ดีข้อสำํำคัญก็คือ ใ, ใจเราอย่าไปคิดอะไรท่นนี้เป้าหมายของการเจริญสติก็คือคอยสกัดขั้นความคิดต่างๆให้มีอะไรถูกใจไว้จะลงก็ได้อย่างงานที่เราทําก็ได้เพื่อนบ้านเป็นโรคร้ายครับระยะสุดท้ายจะพูดให้กําลังใจเพื่อนอย่างไรให้เขายอมรับกับสิ่งที่เขาเป็นครับก็อยู่ที่เขาอยากจะฟังเราหรือไม่เราก็ไม่อยากจะฟังเราก็ไม่ต้องมาคุยกันเลย เราบอกให้ช่วยช่วยกอมใจเราหน่อยว่าทาให้ใจเราสบายหน่อยเราก็เทศ่ยได้เลยแสดงทำไปเลยครับคุณอัศดาวุธครับเรารักษาศีห์ห้าอยู่แล้วมีคนมาของเงินเราไปซื้อสุลาอย่างนี้เราผิดสีห์ไหมครับไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้ดื่มเราก็ไม่ผิดสีห์เราให้เงินเขาเราเป็นการทำบุญทาทาน พวิทครับความคิดคือไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมครับใช่มันก็เป็นความคิดเหมือนฟังชั่นอย่างเงี้ยเหมืความงชั่นเป็นการกระทําที่ไม่มีตัวตนเป็นความสามารถของจิตที่จะคิดเรื่องนั้นเองนี้ได้แต่เราไปคิดเราเป็นเราเราเป็นผูกคิดว่าเราคิดว่าเราเป็นเป็นเป็นเป็นจิตความจริงจิตก็ไม่ใช่เราตัวคิดก็ไม่ใช่เราเรานี่เป็นตัวที่จิต สร้างขึ้นมาเป็นเหมือนเอไอสร้างขึ้นมารเราเอมันไม่มี ต, ตัวตนคุณสมพรครับไม่ได้ทําสมาทานศีลแต่รักษาระวังจะทําผิดศีลตลอดแบบนี้ได้บุญไหมครับได้การรักษาศีลไม่จําเป็นจะนั่งสมาทานรา้เรารู้ว่าเราต้นขอเรามีความตั้งใจจะรักษาแล้วรักษาไป ไ, ปไม่ต้องไปหาพระทุกครั้งที่จะต้องรักษาศีล คุณสิริพงครับการมีภรรยาและลูกก็คือการหาความสุขชนิดหนึ่งแต่เอาติดตัวไปไม่ได้ไม่เที่ยงถาวรเท่ากับการปล่อยวางทุกอย่างหรือนิพานผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องคุณนุชบอกว่าโดนเพื่อนยืมเงินเกือบแสนไม่คืนเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมครับเราถึงต้องคิดยังไงถึงจะไม่ทุกครับเขาเป็นเจ้านี่เออนี้นนะ เราจะเป็นหนี่เขามาก่อนแล้วเขมาถูหนีไปเยกเือเนการชดใช้หนี่ไปแล้วผมรักษาสีน5อยู่แล้ว อ, อ่อนี่ถามแล้วนะครับผมให้เพราะไม่ให้เขากวนเราอีก อ, อ่อนิดด่างพร้อยไหมครับบอกว่าอย่างนี้ครับไม่เกี่ยวนะ ใ, ให้ให้เนการดำมือดำทายมาก จะทำอย่างไรเมื่อเราหงุดหงิดคนใกล้ตัวครับก็ต้องบอกเขาว่าเป็นมือเดินข้าาการแล้วก็ควบคุมครับเขาไม่ได้ผนจะตบแดดจะออกเาก็ต้องหัดอยู่กับมันไปแต้ว่าเหัดอยู่กับเขาไปถ้าเรามองว่าเขาเป็นนักเดินข้ากาชการเราก็จะอยู่กับเขาได้การสวดมนต์ในการทำวัดเช้าทำวัดเย็นของพระสงฆ์มีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับ ก็เพื่อเพิกมเมื่อการนจริญสติเป็นการฝึกสมาธิแบบเแบบียดยาไปก่อนน้งนองสมาธิไม่ได้ก็ส่วนบนไปก่อนช่วยลดความคิดปุมแต่งให้น้อยอทำใจให้เบาให้เย็นสบายขึ้นควรที่จนั่งสมาธิต่อไปได้เพราะเหตุใดยุคออนไลน์จึงมีพระที่มีพรรษาน้อยมาสอนธรรมและมีคารวาสมาสอนธรรมเป็นจำนวนมากครับ ว่าไม่รู้เพราะภาพอยากว่าอยากจะสอนเงินยากจะเป็นอาจารย์งิมีลูกเป็นคนโมโหง่ายครับควรสอนอย่างไรครับก็สอนด้วยตัวอย่างอย่างโมโหถ้าเราตัวอย่างเมือเราในอยากโมโหแล้วบอกให้เขาทาตามเราเวลาเขาจะโมโหเราจะโมโหแล้วก็อยากไปโมโหอยากเป็นสดาเขาเห็นว่าเราโมโห S <S <an> <S เขาก็จะทำตามเราได้ถ้าผููเฉยๆแล้วเรายังเราไม่ทำตามที่เราพูดนะกับโมโหเขาก็อจะดวูว่าเร า, าเราอยาอังโมโหเขาก็จะทำเขาก็จะโมโหตามเราได้ถ้าเราไม่โมโหแล้ว เ, เราบอกเขาไม่ให้โมโหแเ้าก็ยังจะทำอยู่แล้วก็ช่วยเขาไม่ได้นะเพราะแสดงว่าทนดืน้อนะว่าเขาไม่สามารถทำตามที่เราบอกเขาได้ก็ต้องทำใจ การเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราจะได้จะต้องเห็นในสมาธิเท่านั้นใช่ไหมครับจิตจริงจะเชื่อครับไม่หรอไม่ต้องเห็นทั้งขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วด้วยเวลาเห็นร่างกายทีไรแล้วมองไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เชื่อว่าเป็นร่างกายของคนอื่ต้องคอยสอนเยอะเนย คุณกริฟฟินครับผมเจอลูกนกเป็ดน้ำหลงฝูงเข้ามาในสวนผมพยายามเดินหารังมันแต่ไม่เจอหลังจากนั้นมันเดินตามผมไม่ห่างเมื่อคืนตัดสินใจปล่อยไว้ที่เดิมอยากให้มันได้เจอแม่ทำเช่นนี้บาปหรือไม่ครับผมรู้สึกผิดที่ทิ้งมันไว้ครับก็อยู่ที่เจตนาของเราเจตนาของเราก็ดีคืออยากให้เขาได้เจอแม่ของเขาถ้าเราไปอยู่ของเราแม่มันอาจจะไม่กล้าเข้ามาหามันก็นได้ กก็ถูต้องนะพระอาจารย์ครับขอวิธีลดความถือตัวครับจิตไม่ชอบยอมใครไม่ชอบยอมความเห็นของใครเป็นคนที่จิตมีมานะมากครับมันชอบขึ้นมาแย้งความเห็นคนอื่นอยู่ตลอดขอโอกาสพระอาจารย์ขอวิธีลดครับไม่ต้องถือทําตัวเราให้ตามตัวเราจะบอกให้ทําตัวเรามันเป็นภาคีนิวเป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดิน ใครจะเหยียบใครจะย่าใครจะดูถูกดูแคลงใครจะทำงานกับแผ่นดินแผ่นดินก้ก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราทำทำใจเราทําตัวเราให้เหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบซีสารแล้วก็เหยียบใครจะเตะเราใครจะค่มขู่เราใครจะดูถูกดูแคลงเราเราก็รับได้ไม่ไปโกรธเขาไม่ไปเมินเกียดเขาเพราะเราถือว่าเราต่ําต้อยที่สุดนะเหมือนก็ทําตัวเราไปเหมือนเป็นท่าหรือเป็นเป็นขี้ข้าเป็น คนนับใช้ของผูน้นั้นทุกคนเป็นเจ้านายของเราต้องคิดอย่างนี้มันจนะลดลบได้อาจารย์ครับแต่ลดได้นี่คือลดได้จริงๆคือต้องพระอาหารหันเลยใช่ไหมครับเพราะพระนาคายังมีมารณะอยู่เลยใช่ไหมครับใช่เวลาที่นั่งสมาธิครับผม เวลาที่นั่งสมาธิคนเดียวและจิตแน่นสงบมากๆจะมีอันตรายไหมครับไม่มีสมาธินี้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดของสําหรับจิตใจร่างกายจะเป็นยจงตายตอนนั้นจิตใจก็ยังไม่เดือดร้อนถ้าจิตเขาสมาธิไายไม่ได้สวดมนแต่นั่งสมาธิสิบห้านาทีเพียงพอไหมครับก็อยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบไม่พอหรอกนั้น แต่สำรัพเริ่มต้น15นาทีก็คิดว่านานแล้วก็พอสาหรับผู้เริ่มต้นแต่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจาก15เป็น20จาก20เป็น25จนกระทั่ให้ได้อย่างว่าสักชั่วโมงไป็ไปฝึกมาสักพักช่วยให้ผมอยู่กับมะเร็งได้โดยทุกน้อยลงครับใช่เมื่อจิตเราสงบจิตเราปล่อยวางการดึกันเลยน้อยลง คุณนิดครับผมก็ฝึกนั่งสมาธิมาสองสามปีมีทั้งสงบและไม่สงบแต่พอช่วงหลังๆ ง, งานเริ่มเยอะและต้องให้ความคิดเยอะจิตเลยเริ่มขี้เกียจหนูจะให้ทำข้อไหนเพื่อผ่านจุดนี้ไปได้ครับก็ให้เราได้สียความตายาเนียเราก็ต้องตายนะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนามาปฏิบัติถ้าเราตายแล้วเราก็จะปฏิบัติไม่ได้ การสวดมนต์จะหันหน้าไปในทางทิศใดก็ได้อย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับถูกต้องแต่ถ้าเราเคารพใครเราอยากจะหันหน้าไปทางทิศของคนที่เราเคารพก็ได้เพื่อแสดงความเคารพหลังเสร็จภาษาเรบุตรมาแล้วท่านจไหว้พระอะไรกลับอะไรนี่ท่านก็ยังหานไปทิที่พระเจ้าวัฒนอยู่ ได้ยินพระอาจารย์เทศบ่อยครั้งว่าทุกคนโชคดีมหาศาลยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะได้เจอพุทธศาสนาในในนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังหน่อยครับเพระาะว่าถ้าเราได้พบ ว, ว่าพุทธศาสนาเราก็จะได้รางวัลที่หนึ่งผมว่าพุทธศาสนาก็คือพระ น, นิพพานนะเพราะถ้าไม่มี ว, วัตถุศาสนาเราก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้พระ น, นิพพานขึ้นมาแั้วรางวัลที่สูงสุดในโลกนี้เหนือกว่ารางวัล ตราทะลทลายทั้งปวงว่าคืนนิพพานนี่เพราะนิพพานนี้ย้ายเราความสุขอย่างสุดยอดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวันด้วยอันนี้แหละทงเธอเราโชคมหาสาลแล้วได้ถือว่ราระเลทลายที่ที่ที่สูงสุดของโลกของจั ก, กรวาลเลยครับว่านะสงสัยมานานแล้วครับที่หมามันหอนเพราะมันเห็นผีจริงไหมครับไม่จริงครับ หนูไม่ได้ไปคอนเสิร์ตพรุ่งนี้มีแต่มีแฟนคลับใช้มือถือถ่ายไลฟ์ขณะแสดงสดแลวออกช่องแบบเรียลไทม์แล้วเราไปดูช่องนั้นจะถือว่าผิดสีนข้อสองไหมครับเพอเจ้าของคอนเสิร์ตห้ามแฟนคลับถ่ายวิ ด, ดีโอขณะแสดงครับไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำไมนี่มันก็พูดยากถ้าถ้าไม่มั่นใจเราก็อย่าไปดูมาล้วกันถ้าถ้าคิดว่าผิดสี เราดูก็ส่งเงินไปให้บริษัทที่จัดคอนเสิร์ตว่านี่คือค่าค่าทุครับคุณปาบุตรทองครับบอกว่าคนที่บวชตั้งแต่เด็กทำไมยังไม่พ้นกรรมต้องสึกเขามีวิบากกรรมอะไรครับก็ไม่แน่กรรมบาทีตัวกรรมเวลาค้าเนี่ยตัวที่แรงตอนที่เป็นเด็กกรรมเวลาค้ามันยังไม่แรงพอโตขึ้นโตขึ้นในกรรมเวลาทานมันงขึ้นแรขึ้น นี่ก็อยู่ที่ธรรมะที่ได้ปฏิบัติว่ามีแรงต้านทานมันได้หรือเปล่าถ้าต้านไปไหวก็ต้องไปสืบเกินเห็นพระธุดงค์ท่านจ่ายค่าโดยสารโดยการใช้มือถือสแกนจ่ายคิดในใจว่าท่านฉลาดดีที่ใช้วิธีนี้เพราะไม่ต้องจับเงินและสะดวกดีไม่ทราบว่าวิธีนี้ทำได้ไหมครับรับผิดสีไหมครับนสมัยพุทธกาลมันก็ไม่มีมือถือสแกนอย่างน ยังมันก็แล้วแต่สงจะมาวิเคราะห์พิจารณาว่าใช้ได้หรือไม่นด้ต้องต้องนอนมติของมหาเทรัสมาคมด้วยนะครับคือบางทีท่ยนก็ไม่ทาก็อาจจะไม่อยากจะยกขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นประเด็นท่าก็ปล่อยให้เป็นเลยตามเลยไปบ้าะทําอย่างไรจึงจะนั่งสมาธิได้นานและสงบได้เร็วคนที่นั่งสมาธิได้นานหลายชั่วโมงเขาเข้าฌานได้ใช่ไหมครับถึงไม่เจ็บ <c oughs> ขาดขาดสติต้องมีสติมากๆต้องฝึกสติระวังมันให้มากแล้วพอมีสติมากสมาธิก็จะสงบได้แล้วและได้นานด้วยคําถามสุดท้ายครับจากคุณสมบัติครับมีวิธีปฏิบัติอย่างไรที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัตรครับก็ปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาหรือทานสีนภาวนาอะไรเ้เหมือนกันถ้าเราเป็นพระเราก็ปฏิบัติศีนสมาธิปัญญา ถ้าเราเป็นครวาวาสเราจะปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาเพิ่มเพิ่มีกข้อนี่คือทานเราต้องสาทรัพย์สมบัติเข้าความเงินทรรไปให้หมดเราจะได้ไปบวชได้บวนแล้วเราจะได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอเราปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะได้หลุดพ้นจากสงสารวัดได้ขอาการครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมในเฟซ498 ใน U 439ในคลับ6ใน TikTok 365ครับรวม 1,308 คนครับพระอาจารย์ตอบคำถามแรกเวลา20น9นาทีครับพอาจารย์ตอบไป126คำถามนะครับวั น, น, นยังคงจะเป็นเวลาที่แปดคนที่ไม่ทราบว่าคงจะมีอยู่มากคนขาประจำก็าหายไปเกือบ4 400, 400 ไ, นะได้นะหลังอัลแล้ววันที่ที่ทแล้ว107ใช่ไหม อันนี้ก็่วันสามนะเพราะว่าเป็นเป็นเวลาที่แปลกจากปกติซึ่งคนอาจจะไม่รู้กันได้วันเสาร์หน้าก็ไม่ใช่วันเสาร์หน้าที่จะถึงวันเสาร์วันที่นี้ยังไม่มีใช่ไหมต้องรอไปถึงวันเสาร์วันที่หนึ่งพฤศจิกานุ่นถึงจะมีการสนาทำในข้าวเราคิดว่าคงจะเป็นแบบนี้บางคนไม่รู้กันทั่วถึงกันกาไม่เป็นไรก็อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นเราก็ยินดีกามมีตามเกิด มันมีหน้าที่สอนานาธรรมแล้วก็สอนานาธรรมไปถ้มตอบมไปเหมือนคนที่อยากเข้ามาได้เลยไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังการสอนานาธรรมในวันนี้ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ท่านานำเอาธรรม ท, ที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิพพพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทายงยิ่งขึ้นไปเพอสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงท่านี้คราวหน้าก็จะต้องพบกันอีกทีก็เป็นวันที่วันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนหลังจากนั้นเราพยากลับมาพบกันตามปกติคือทุกวันอาทิตย์ต่อไปครับขอเจอริญพรกล่าขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ